อาจารย์ครั บ, บกลาวนมาสการพระอาจารย์ครับผมเอเจริญพรทุกท่านครับอาจารย์ทุกท่านครับผมตอนนี้ผมสบายดีครับพระอาจารย์ครับอาใจก็ถือว่าสบายแล้วครับ <c oughs> พระ อ, อาจารย์ครับพระอาจารย์แข็งแรงยังเดินพิธบดีปกติเลยนะครับก็ก็มีเมื่อยหลังบ้างต้องคอยดันหลังระวังทางเดินอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรมากเลย ล้างขนล้างถ่ายแบบนั้นดัดถ้าหน่อยก้มหน้าอแขนยื่นไปถึงเท้า<อ>มันก็ช่วยคลายความตึงเครียดหน่อยตแต่พระอาจารย์ยัง ส, สา ม, มารถที่จะเดินได้ตลอดทางไม่มีชาขา อ, อ่อนแรงไม่มีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีเดินได้แต่ก็เดินเ ม, มื่อยหลังต้องดัดหน่อยต้องดัดเส้นขาพระอาจารย์ครับเส้นมันแข็งมันขดมันแข็งมันไม่ มันไม่อ่อนเหมือนตอนคนที่อยายนุน้อยๆครับผมสังขารไม่เที่ยมขี้เกียแก่เจ็บตายนี่แหละคือร่างกายอันนี้ครับผมครับอาจารย์ครฮบมั น, นมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราใช้ท่องเที่ยวในโลกนี้แล้วก็ต้องปดระวางแล้วเราก็ไปเที่ยวโลกทริปต่อ <laughs> <laughs> แต่ว่าตอนที่อยู่กับมันก็ต้องดูแลมันยอย่างดีใช่ไหมครับก็มันก็ยังทายใช้ประโยชน์ชนได้อย่างนี้นเอามานั่งคุยธรรมะ ก, กันได้ถ้าไม่มีเรื่องธรรมะ ก, ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมผู้ต่างกำจริงน ะ, ะมั น, ม, นมีเรื่องเดียวที่ทําให้พระพุทธเจ้าพระสาวุทั้งหลายท่านอยู่ต่อก็เพราะการเอาธรรมะมาแชร์ให้กับพวกที่ไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีธรรมะแชร์ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไม่เกิดประโยชน์อ ะ, อะไร เขาเจ้าถึงยอมสละเวลาสี่สิห้าปีแสดงธรรมโปรดสัตว์วันละห้ารอบวันละสี่รอบอตอนบ่ายแสดงธรรมให้ญาติโยมตอนค่าแสดงธรรมให้ภิกษุภิกษุณีสามเณรตอนเด็กแสดงธรรมให้เทวดาตอนเช้า ก่อนจะออกเสด็จออกบินถบาทสง่งเลงยานหรือว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น mm hmm. นี่คือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าสี mm ่ hmm. พุทธกิจเป็นการเผยแผ่ธรรมพุทธกิจที่ห้าก็คือการตรวจสารด้วยการบินถบาท mm hmm. ทรงประทามหลังจากตัดเชลวุ อ, อยู่สี่สิบห้าปีด้วยกันไม่ได้เพื่อพระองค์เลยเพื่อกิตอันเดียวที่เพื่อร่างกายก็คือบินถบาท อกสีอ่อย่านี่เป็นกิดเพื่อผู้อืเพื่อให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ธรรมะก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดครับผมออาจจะนอกเรื่องนิดหน่อยคุณมออยากจะ เ, เข้าดีดีเลยครับอาจารย์ในเรื่องเลยครับยังจะยากจะชวนพระอาจารย์กราบเรียนถามต่ออย่างนี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นี่คือกิจส่วนตัวของท่านก็หมดแล้วแต่สิ่งที่ท่านอยู่ก็คืออยู่เพื่อคนอื่นหมดเลยนะครับอาจารย์ใช่ท่านไม่มีอะไรที่ต้อง เติมในใจองท่านเหมือนน้ําที่มันเต็มแก้วแล้วจะเติมก็ไปยังไงมันก็มันก็ล้อแก้วใจของมุตตจชาติเต็มด้วยปรมังสุขขังถารมณ์มาสุดไม่มีความสื่อกันได้ในโลกนี้สามารถที่จะทําให้สุขในใจของมุตตจชาเพิ่มขึ้นได้เลยครับผมภาษาโบก็เหมือนกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ผ้านกอง็เหมือนกันถ้าเป็นผ้าหลาน แต่ถ้ายังเป็นพระโสดาพระสกีดาคาพระนาคาเนี่ยน้ำยังไม่เต็มแก้วครับพลังเติมอยู่พระโสดาบันก็ได้หนึ่งในสี่พระสกีดาคาก็หนึ่งในห้าอันคือหนึ่งในสองในสี่พระนาคาก็สามในสี่ครั บ, รบมีพาาระอรหันต์เยได้เต็มได้บรารมังสุขทั้งได้ความสุ ข, ขอย่างเต็มเปีเป่ยมแล้วก็ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนะ อทำแล้วก็ไม่มีวันคล่อมไม่เหมือนความสุขทางโลกที่เราแต่มกันอยู่เรื่อยๆมาเที่ยวมาสองวันหมดไปแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้อไปเที่ยวใหม่นะใช่ไหมไปเดินที่ยวเรเสกอร์เย็ดแล้วเสกเวอร์ขาอะไรนะครับพระอาจารย์ครับกล่าวกับพระคุณครับพระอาจารย์ครับวันนี้คําถามแรกผมผมเห็นคนนะครับเริ่มจะพยายามที่จะไปสร้างบุญสร้างบารมีแล้วบอกว่าไปขอพรเพื่อให้มีตัวเองมีบารมีเพิ่มขึ้นนะครับ ผมก็เลยอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์แล้วบารมีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอคืออะไรแล้วเราสามารถที่จะสร้างเองสร้างได้ไหมครับพระอาจารย์ครับบารมีก็คุณธรรมมันวิเศษที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอริยะบุคคลมีสิบประการด้วยกันที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาขั้นแรกก็คือเมตตาบารมีคือต้อง มีความเมตตาต่อสัตว์ประสาทั้งปวงตามสูตรที่เราสวดกันสัพเพยั ต, ตาอเวลาหอนตุยังไม่มีเวรกับสัตว์ทั้งปวงอภิญญาปชาหอนตุยังไม่เบียดเบียนอนิฆาหอนตุยังไม่ทําให้ผู้อื่นทุกกายทุกใจสุขีอตานามผลิหารานตุทําให้ผู้อื่นมีความสุขนี่บารมีข้อหนึ่งที่จะต้องทํากันไม่ได้ขอบารมีขอไม่ได้ เป็นของที่ต้องทำพุทธาศาสนาไม่ได้สอนให้ขอเป็นาศาสนาธรรมคือสอนให้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสอนสอนให้พวกเรานำมาปฏิบัติแล้วเราจะได้ปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติอยากได้บารมีก็ต้องสร้างบารมีด้วยการกระทำบารมีทั้งสิบประการเมตตาบารมีตามด้วยทานบารมีทําบุญให้ทาน นักศีลบารมีนักษาศีลห้าไม่ทำบาตรต้องปวง่วยในขมารบารมีการออกบวชคือการออกจากการเสดกจกลางก็คือการถือศีลแปหรือถือศีลสิบหรือศีลส27ร่สในขมารบารมีเพื่อจะได้ไปมีเวลาสร้างบารมีตัวต่อไปก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คืออุเบกขาที่ได้จากการ นั่งสมาธิทำจิตใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาคือใจที่เป็นกลางใจที่ปราศจากความละชังกลัวหลงแต่ยังไม่ได้เป็นอุเบกขาแบบถ้าวอนจึงต้องเจริญขั้นบรารมีขั้นก็คือปัญญาบรารมีอ้อเมเนืองมีปัญญาบรารมีปัญญาจะมาคอยกำจัดตัวที่มาคอย ทำลายอุเบกขาที่ได้จากสมาธิก็คือความอยากต่างๆกิเลสตัณหาถ้ามีปัญญาก็สามารถละความอยากต่างๆได้สังเกตุวเวลาใจเราอยู่เฉยๆนี่ไม่มีความเดือดร้อนอะไรแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยู่ไม่เป็นสุขนะอยู่ไม่ได้นะต้องไปทาตามความอยาก วิธีที่จะกําจัดความอยากนั้นใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้มันความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์นั้นสรุปก็คือการไปหาความทุกข์นั่นเองแต่โดยขาดปัญญาก็เลยที่ว่าไปหาความสุขกันอันนี้เห็น<ม>เห็นใจรักโดยปัญญาก็จะระงับความอยากได้พอใจอยุดความอยากได้อุเบกขาคือความสงบ ก็กลับมาความอิ่มความสุขใจก็กลับมาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกอนี่คือบารมีต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราสร้างกันและการจะสร้างบารมีเหล่านี้ได้ต้องมีอีกสี่บารมีเป็นผู้ดาเนินการคือหนึ่งอธิษฐานบารมีอธิษฐานนี้หมายถึงการตั้งใจตั้งเป้าหมาย เช่นตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทําทานต้องรักษาศีลอ น, นี้คืออธิษฐานเหมพระพุทธเจ้าตอนนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพเข้าตั้งใจนั่งให้ตัดสริรูถ้ายังไม่ตัดสริรูก็จะไม่รู้ก่ อ, อกจากที่นั่งไปเรียกว่อธิษฐานคือการตั้งตั้งจิตตั้งใจว่าจะต้องทําอะไรอย่างไดอย่างหนึ่งเราต้องมีอธิษฐานเช่นคืนนี้เราต้องตั้งใจจะมาฟังเทศน์ฟังธรามนั่ ถ้าไม่ตั้งใจเดือยเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวก็อาจจะไปกับเพื่อนได้แต่ถ้าตั้งใจแล้วอาจจะปฏิเสธเข้าไปา จ, จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธก็อยู่ที่บารมีตัวที่สองคือสัจจะบารมีว่าเรามีสัจจะคือความจริงใจต่อความตั้งใจของเราหนึกปะบางที mm hmm. ตั้งใจจะรักษาศีล์ห้าพอตกเย็นเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าเนาะเปลี่ยนใจ mm hmm. ก็เลยไม่ไม่รักษาศีลข้อห้าไป แสดงว่าไม่มีสัจจะแต่ตอนต้นมีอธิษฐานมีความตั้งใจว่าวันนี้วันพระจะรักษาศีลห้าแต่พอดีตกเย็นเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าเกรงใจเพื่อนมากกว่าเกรงใจตัวเองหลวงตามาอาวนตั้งแต่พูดว่าถ้าเกรงใจคนทำก็แหละ <c oughs> ทำก็คือศีลและทำอะไรต่างๆนี้ พอคนมาขอร้องหน่อยนะเกณฑใจทําตามที่เขาขอศัจาจาวาจาที่เราตั้งไว้ว่าจะรักษาสีจะไม่โกหธมันก็อาจจะล้มไปเพราะว่ามีคนมาขอร้องอะไรทํานองนี้เพเกณฑใจเขาไม่อยากจะให้เขาเสียใจไม่อยากให้เขาโกรธเราอะไรทํานองนี้หลวงตาบอกว่าท่านไม่เกณฑ์ใครท่านเกณครับถ้าเกณฑใจคนแล้วทําแหละ นั่นต้องต้องเกรงทำอย่าไปเกรงใจคนถ้าเราตั้งใจรักษาศี่ห้าแล้วเราต้องมีสัจจะใครจะมาชวนไปกินเหล้าก็บอกไปไม่ได้วันนี้ถือสี 5, ่ห้าทนต้องมีสัจจะเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ใต้โคนต้นพงมาจากนั่งภาวนาไปจนตัดสรลุถ้ายังไม่ตัดสัลุทํามันเประเสริฐ จ, จะไม่ลูกจากที่นั่งขึ้ไป แมร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่มีวันที่จะลุกยอมตายถ้าจะลุกก็คือได้ตัดสู่ธรรมวิเศษแล้วทั้งนั้นครับจึงทำให้ท่านสู้กับกิเลสที่อยากจะลุกเพราะนั่งไปแล้วมันปวดมันเจ็บทั่วสะพางกายเป็นต้นต้องมีสัจจะคนเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วถ้าไม่มีสัจจะมักจะล้มเหลวเช่นคนเรามัก ช, ชอบตั้งใจ ตั้งจิตอธิษฐานวันปีใหม่กันว่าจะเป็นคนดีมันจะทําจะขยันจะไม่งอนไม่โกรธไม่เกลียดทําได้ไม่กี่วันลืมแล้วพอกิเลสเข้ามาปั๊บนี่ล้มหมดเลยครับเพราะไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วจะไม่ล้มเมื่อมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะบรารมีคือต้องทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําครับถ้าเราไม่ทํามันก็ยังไม่สําเร็จผลใช่ไหม ต้องอตั้งใจว่าจะทำบุญทำทานเป็นประจําทุกวันสายบาต ท, ทุกเช้าอย่างเงี้ยถึงเวลาก็ต้องทําถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้ผลแล้วข้อสุดท้ายบา ร, รมีข้อสุดท้ายก็คือขันติบา ร, รมีต้องมีความอดนอทนเพราะทําความดีมักจะมีมารมาขวางอยู่เลยมักจะมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไปกินเหล้ามักจะมีใครมาอย่ให้เราไปทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทํา นี่คือบารมีทั้งสิบประการในพระพุทธศาสนาที่จะยกระดับจิตของผู้ปฏิบัติให้สูงจากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอาริยบุคคลตามลํำดับขั้นของบารมีที่เราสร้างกันถ้าทําทานบารมีรักษาศีลบารมีได้เราก็จะขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาถ้าเราต่อด้วยอุเบกขาบารมีเราก็จะไปเป็นพรหม แล้วถ้าเราต่อด้วยปัญญาเราก็จะไปเป็นพระอริยมงคลไปเป็นนิพพานนี่คือสรุปเรื่องของบรารมีสิบประการให้ท่านได้ฟังอย่างนั้นอย่าไปขอบรารมีขอไม่ได้บรารมีต้องสร้างกันต้องทํามันเองครับคนไม่มีใครทําแทนเราได้ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับแล้วฉันผมเคยยินบอกบรารมีสาิบทัศ นี่คืออะไรครับอาจารย์บารมีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอม่คงจะสามอาจจะมีรายละเอียดแตกแยกออกไปบางทีอออย่างละแต่ละชนิดอาจจะมีสามสามอะไรรายละเอียดนึกซึ่งออกเข้นคนขึ้นคือดีเทลดีเทลของบารมีก็ได้เพราะว่าทำมาบางทีทานคําเดียวมันอาจจะกว้างอาจจะขยายความว่ามีทานแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้ปากไม่ทราบนะอันนี้เป็นเพียงแต่ พอไม่ได้ศึกษาครับและไม่สําคัญคไม่จําเป็นต้องรูคร้ครับผมครับกลับขอบคุณพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ครับผมขอโอกาสคำถามจากเพื่อนๆขึ้นมานะครับจากคุณกุ้งครับกลาวน้ำระสกา ร, การครับพระอาจารย์ดิฉันขอโอกาสเรียนถามเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ที่ท่านล่วงลับไปแล้วโดยตักบาตรเกือบทุกวันสวดมนต์ทุกวันพระท่านจะได้รับส่วนบุญไหมคะคือผู้ที่จะรับนี่อยู่ที่ว่าเขารอรับหรือไม่ เวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วจิตของเรานี่จะไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามบุญตามบาปที่เราได้กระทํากันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีภพภูมิชนิดเดียวที่จะมารอรับส่วนบุญคือจิตที่เป็นขอทานที่เราเรียกว่าเปรตเนี่ยคือจิตที่เป็นขอทานคือเป็นจิตที่ปราศจากบุญเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ทําบุญก็ทําน้อยมากทําบาปมากกว่าทำบุญ ข้อความตนเองข้ความเสียดายเข้าของเงินทองทรัพย์สินของตนอยากจะเก็บเอาไว้ใช้ไม่อยากจะให้คนอื่นนยึงไม่ได้ทําบุญทำทานพอตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปพวกนี้หลักเป็นผู้ที่จะมารอรับส่วนบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราไม่ทราบว่าพ่อแม่ของเราผู้ล้องรับไปแล้วอยู่ในสถานภาพอย่างใดแล้วก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกันถ้าท่าน รอรัท่านก็ได้รับท่านถ้าท่านไม่ได้รอรับท่านก็ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรสมมติถ้าท่านมีบุญมากท่านก็ไปเป็นเทวดาเทวดาก็คือเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมาขอรับบุญจากผู้มีบุญเลี้ยงดูตัวเองหรือถ้าว่าท่านทําบาปมากท่านก็ไปติดคุกติดตารางในอบายเขาก็ไม่ปล่อยออกมา คำถามจ้าคุณโจครับจิตเกิดขึ้นในจั ก, กรวาลนี้ได้อย่างไรครับคำถามนี้พระอุตตมะก็จะเคยถามและทรงพยายามค้นคว้าก็หาคําตอบไม่เจอไม่สามารถพบไม่รู้ต้นตอของจิตว่ามาจากที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้เพราะสิ่งที่เราต้องรู้จริงๆก็คือปัญหาของจิตว่าเราจะแก้ปัญหาของจิตอย่างไรเรามีปัญหาทางจิตใจกันก็คือความทุกข์ใจกัน เรามาแก้ปัญหาตัวนี้ดีกว่าเพราะพะุทธเจ้าตัดสินวิธีแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติทางศีลภาวนาเพื่อที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปอย่าเสียเวลากับการไปหาความรู้อย่างเดียวเพราะไม่จะไม่สามารถมาแก้ปัญหาของจิตใจได้ครับผมยังมีนิทานในสมัยพุทธกาลที่มีคนหนึ่งถูกถูกถูกลูกธนูยิงเข้ามาที่อกเนี่ย แล้วมีหมอมาจะมาช่วยดึงเราทันทีวอกแล้วก็มารักษาแผลให้หายคนที่ถูกยิงบอกหมออย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้หมอช่วยไปคนหน่อยนะมว่าคนที่ยิงผมเป็นใครเป็นชื่ออะไรมีครอบครัวอยู่ที่ไหนมีบ้านอยู่ที่ไหนถ้าให้หมอไปทำอย่างนี้คุณก็ตายเท่านั้นนะเพราะ ไ, ไม่จะไม่ได้ว่าไม่ได้มารักษาแผลของคุณ มัวแต่ไปหาข้อมูลที่คนอยากจะรู้อย่างคําถามพวกนี้ก็แบบเดียวกันคําถามว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจิตนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคําถามเหล่านี้รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราไปได้ไปได้สู้มาหาความรู้ที่จะมาดับความทุกข์ในใจของเราดีกว่าว่าดับความทุกข์ในใจของเราได้ด้วยวิธีใด ก็คือวิธีที่ผู้เจ้าทรงสอนทาทานรักษาศีลและก็ภาวนานี่ยเองคํคถ า, าคถามจากคำถามจกคุณสันติดาครับนัวิชการเจ้าค่ะอยากทราบว่าการดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่มีอนิสงส์อย่างไรเจ้าค่ะก็เป็นการทาบุญทาทานอย่างหนึง่งการดูแลพ่อแม่เป็นการทดแทนบูลคุณเป็นความประทยูกตเวที เป็นพื้นฐานของการของการเป็นผู้คนดีคนดีจะเป็นคนกระตันอยู่คนไม่ดีจะไม่เป็นคนกระตันอยู่อา น, นิสงก็คือก็เป็นเหมือนการทําบุญทําทานกับผ้าอหารหันต์พระพุทธเจ้าบอกพ่อแม่ของลูกๆนี่เป็นเหมือนผ้าอหารหันต์ของลูกๆได้ดูแลพ่อแม่ได้อุ ป, ปถาพ่อแม่ก็เท่ากับได้อุ ป, ปถาผ้าอหารหันต์ เป็นบุญอย่างยิ่งทำบุญต่อใครอยากได้บุญสูงสุดก็ต้องทำกับพ่อพุทธเจ้าผ้าอรหันต์หรือทำกับพ่อแม่ซึ่งมีสถานะเหมือนกับป้อาอรหันต์สำหรับลูกๆก็ได้บุญเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ได้บุญก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะจะมีความสุขมากเวลาเราเลี้ยงดูพ่อแม่เราเราจะมีความสุขมาก เราเลี้ยงดูคนหนึ่งแต่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างไรยังมีความสุขกันครับเลี้ยงลูกอาจจะมีความสุขแต่พอมาเลี้ยงดูเลี้ยงพ่อแม่เนี่ราจะรู้สึกว่ามีความสุขกว่าเพราเราได้ได้ตอบแทนดนุนคุณของท่านด้วยและได้เห็นว่าท่านทําการกระทำของเราทําให้ท่านมีความสุขมันก็ยิ่งทําให้เรามีความสุขาจากคุณอินวอนครั บ, ก, บรการรัฐปรสการพระอาจารย์ขอเรียนถามเวลาผมเห็นผู้หญิงหน้าตาขี้เหล่อ้วนดํามีความสึก สังเวชมีความรู้สึกสังเวชครับไม่อยากเสพกามถือว่าเป็นการละ ก, กิเลสไหมครับก็ต้องเอามาดูตอนที่เห็นผู้หญิงสวยๆงามๆดู่ายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็พยายามให้ลึกถึงผู้หญิงที่หน้าตาขี้เหร่อ้วนดำดูเพื่อจะได้ละ ก, กิเลสได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาสุภาษณ์ในพิจารณาร่างกายที่ไม่สวยงาม เวลาที่เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเวลาเรานึกถึงคนที่รูปรป่างหน้าตาสวยงามหรือหล่อเราแล้วทําให้เราเกิดในความรักความค่าขึ้นมาเราคถ้านึกถึงคนที่มีหน้าตาขี้เลร่อ้วนดำดูเอมันก็จะทําให้ความอยากจะเสพกามมันก็ดับไปได้นี่คือวิธีแก้่จะถือว่าละได้หรือไม่ก็ต้องกระทําเอาเองคุณจะรู้ในตัวของคุณเองว่าคุณละได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าพอไปเห็นของสวยๆงามๆข้าวขอนลืมไปเลยลืมของอ้วนๆดำๆไปของข า, ขาวๆสวยๆเรยวๆนี่เกิดการมารมณ์ขึ้นจริงทีครับผมกับถามยาวครับกัอบอาจารย์ค่ะอยากสอบถามเรื่องนั่งสมาธิแล้วจิตกับกายแยกออกจากกันจิตเห็นกายนั่งคอเอียงรู้สึกว่ากายเหมือนท่อนไม้แต่จิตผู้รู้ออกมารู้นอกกายแต่สติก็รู้มันจะพิจารณายังไงคะ ปล่อยกายที่เหมือนท่อนไม้ดูไปก็เห็นว่าเหมือนคนตายค่ะสั่งอะไรไม่ได้ถ้าจะให้ได้ต้องเอาจิตเข้าไปแนบกายกายก็ขยับรู้ตัวอีกพอนั่งไปอีกจิตก็ออกมาอีกหนูเห็นจิตกับกายแยกกันอีกเป็นบ่อยค่ะจนหนูจะพิจารณายังไงต่อคะปล่อยกายที่เป็นท่อนสุงและพิจารณากัดจิตที่รู้นี้อย่างไรคะออหนูยังไม่ถึงจิตที่สงบ อ, อย่างแท้จริง ถ, ถึงจิตที่สงบ อ, อย่างแท้จริงร่างกายจะหายไป จะเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลมพังในว่าไอค้าคตาลมีความรู้เป็นเป็นหนึ่งไม่ได้รู้กับอะไรถ้ายังรู้กับร่างกายอยู่นี่แสดงว่าจิตยังไม่สงบก็ต้องภาวนาวต่อไปถ้าพุโทโธก็พุทโธพุโทโธต่อไปถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจต่อไปอย่าไปดูร่างกายถ้าดูร่างกายแล้วก็จะติดอยู่ตรงนั้น นั่นให้ภาวนาต่อไปยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของจิตถ้าถึงจุดอิ่มตัวแล้วทุกอย่างจะหายไปหมดเนลือแต่ผู้รู้ตัวเดียวครับผมคำถามจากคุณวีนาครับกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราฟังธรรมกับการให้ทานอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันค ะ, ะก็เหมือนแบงน้อยกับแบงพันอย่างไหนจะมีคุณค่ากว่ากันก็เป็นกระดาษเหมือนกันมีแต่มีสีและมีตัวเลขต่างกันเท่านั้นเอง บุญก็เหมือนกันบุญแต่ละชนิดก็มีความมากน้อยต่างกันแต่มันก็มีความยากง่ายต่างกันด้วยทําทานนี้ง่ายกว่าการภาวนาต่อการฟังธรรมญาณโยมส่วนใหญ่มาวัดจะทําทานกันใส่บาตรเสร็จถวายของเสร็จพอถึงเวลาแสดงธรรมบางทีหายไปหมดหรือไม่กี่คนเพรการฟังธรรมนี้ต้องมีสติมากต้องบังคับให้ตัวเองนั่งอยู่เฉย ซึ่งจิตถ้ายังไม่พร้อมนี่ยังไม่ยัไม่สามารถนั่งฟังธได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าบุญแต่ละชนิดนี้มีความมีมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของบุญด้วยงั้นอย่าไปคิดว่าโอ้เราอยากจะได้บุญมากๆเกงั้นเราฟังทําเราปฏิบัติทํามไม่ต้องทำทานก็อยู่ที่ว่าเราทําได้หรือไม่ถ้าเราทําได้ไม่ทําทานก็ได้ต้องทานี่ก็จะเป็นประโยชน์ ต่อการต่อการปฏิบัติต่อไปคําถามจากคุณกรณกำมลครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการภาวนาเราจะรู้ว่าเราเข้าใจสัจธรรมจริงๆต้องผ่านบททดสอบจริงในชีวิตก่อนใช่ไหมเจ้าคะกับขอบพระคุณพระอาจารย์คะ่ะก็ต้องเจอของจริงเวลาเหมือนนักมวยนักมวยที่ซ้อมชกระสอบทรายกับเวลาขึ้นเวทีนี้มันต่างกันเวลาชกกระสอบทรายนี้มันไม่มันไม่ต่อยกับ แต่เวลาเราขึ้นเวทีนี้พอเราไปต่อยป๊บนี่คู่ต่อสู้เขาว่าต่อยกลับทันทีนี่เราจะทันเขาหรือไม่นั้นได้ตอนที่เราซ้อมอยู่เนี่ยเราเราเป็นเพียงแต่จินตนาการว่าถ้าเกิดกิเลสอย่างนี้เราจะทําอย่างนั้นนะพอถึงเวลาจริงเราทําได้หรือเปล่าเราต้องไม่เจอความจริงจะเกิดเวลาโกรธขึ้นมาปั๊บนี่ยเราหยุดมันได้หรือเปล่าเวลาเกิดความโลภขึ้นมาปั๊บเราหยุดมันได้เลยหรือเปล่า เกิดความกลัวขึ้นมาปั๊บเราทําให้มันหายไปได้หรือเปล่าอันนี้คือข้อสอบที่เราจะต้องหาหาเวทีพิสูจน์ถ้าไม่มีเวทีเราก็อาจจะหลอกตัวเราเองเอ้ยไม่กลัวแล้วไม่โลภแล้วไม่โกรธแล้วเหมือมีนิทานในเรื่องหนึ่งมีคุณหญิงคุณนายกลุ่มหนึ่งไปฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่หลวงตาฟัาป่าฟังเทศหลวงปู่หลายครั้งแล้วรู้สึกว่ากิเลสมันหายหมดเลยหลวงปู่ทั้งต่างว่าอีตอแหล ก็จะ <laughs> ไม่กลับมาว่าถึงเลยปล่อยมากไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านทดสอบกี่เลนแล้วเนี่ยนี่แหละเวทีทดสอบเวลาครูบาอาจารย์ทดสอบอารมณ์ท่านจะไม่บอกแล้ว่าเตร็มตัวนะอเราจะมาทดสอบอารมณ์กันนะไม่มีบอกเหมือนกับเรียนหนังสือสมัยก่อนนี้บางทีมีการสอบแบบไม่เตือนล่วงหน้าใกยเจอนักกุหลาบ เคยเจอครับสมัยคุณมอเจอบสมัยโราเรียนนี่จะมีการการสอบแบบไม่บอกล่วงหน้าก่อนวันนี้สอบเลยพ้่อจะได้ทำให้เราเตรียมตัวอยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่นักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้ามั่นใจว่ารับความโกรธได้แล้วก็ต้องพร้อมที่จะเจอข้อสอบได้ทุกเวลานาทีใครทำอะไรเราด่าเราใครพูดอะไรไม่ถูกใจเราเราไปโกรธเขาหรือเปล่ เหลือภูบอกอีตาลีเลยกลับบ้านเลยคะไม่มายไม่มาเลยคำถามจากคุณจงดีครับเวลาทำบุญเราควรอุทิศหรือส่งผลบุญอย่างไรครับนึกในจิตใจทำบุญเสร็จก็ขอทิศความรู้สึกที่ดีที่ได้เกิดจากการทำบุญทานอันนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วว่าเป็นใครก็ว่าไป ไม่ต้องใช้น้าําไม่ต้องไม่ต้องรอให้พระมาสวดให้เราไม่เกี่ยวกันการสวดของพระ น, นี้เป็นการแสดงอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับการกระทําของเราพร้อมกับสอนเราไปในตัวบทที่พระสวดยาติานนี่ท่านบอกว่าบุญที่เราทําเนี่ยมันเราสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้แล้วเวลาสวดพระมาสวดรวมกันสัปพีนี้เป็นการให้พรเปนการ แสดงความยินดีว่าการทําบุญของคนนี้จะทําให้คนเจริญด้วยอายุวันนักสุขภะละแต่ถ้าไม่มีพระก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นคนละเรื่องกันกนนรารสวดของพระนี่เป็นการบอกบอกว่าบุญที่เราทํานี่เราสามารถบุตรที่ให้ผู้รองรับไปได้แล้วการกระทําบุญของเรานี้นอกจากได้ได้บุญอุทิศให้ผู้รองรับไปแล้วเรายังได้ความเจริญในอายุวันณัสุขภะละด้วย ไม่จำเป็นจะต้องมีพระมาสวดเราได้อยู่แล้วในตัวในตัวของมันเองจากการทำบุญของเราครับแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำด้วยเพราะว่าน้ำนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของบุญเพราะบุญมันเป็นน้ำมาทำมันเป็นของที่เรามองไม่เห็นด้วยตาปล่าเขาก็เลยใช้น้ำเป็นตัวแทนบุญให้เราสังเกตให้ไว้ก็ว่าเราเทบุญออกจากใจเราไปสู่อีกใจหนึ่งสง บุญจากไปจากใจเราไปสู่ใจหนึ่งเทน้ําออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนี่ก็คือความหมายของการใช้น้ําอุทิศบุญบแต่ไม่ต้องใช้หรกักต้องใช้ใช้บุญเพื่อความรู้สึกที่เราได้จากการทําบุญรู้ความรู้สึกที่ดีนี้แล้วก็แบ่งไปให้กับผู้ที่รงรับไปแล้วด้วยการระลึกภายในใจ คำถามจากคุณปุ๊กกี้ครับากเรียนถามค่ะการเทรด forex เทรดค่าเงินที่ดูกราฟรายวันรวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีถือว่าเป็นการพนันหรือไม่คะผิดศีลไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราเล่นด้วยการด้วยเพื่อการลงทุนหรือว่าเป็นพูดพเกงกำไรถ้าเป็นเกงกำไรมันก็เป็นการพนันแต่ถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวร่วมทุนกับบริษัทนี้เป็นอุ้นส่วนกับบริษัทนี้ แล้วเราก็แล้วเราก็ไม่มากังวลกับมันเราก็รอสิ้นปีมาดูว่าันผลเป็นอย่างไรดีไม่ดีถ้าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนบริษัทใหม่อะไรทํรานองนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการลงทุนนะแต่ถ้ามานั่งเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นแล้วคอยซื้อค่อยขายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็งกําไรก็ถือว่าเป็นการเล่นการพนันได้ครัเพราะเสียได้เวลาเสียก็เสียเยอะเวลาได้ก็ได้เยอะ ก็เหมือนกับการเล่นการงานครับคุณแองเจาถามว่าถ้าเราจะขอโอโหสิกรรมหรืขอขอขมากับบิดามันดาและผู้มีอุปการรักคุณซึ่งเสียชีวิตแล้วจะทำยังไงคะการปฏิบัติธรรมและเราลืมกรวดน้ำลงเดินลงดินแต่เราแคบุญอันนี้ตอบแล้วครับก็ถ้าตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปขอโอโหสิกรรมได้ก็การขอโอโหสิกรรมนี้เป็นการเหมือนกับชาลภาพะ ต่อผู้ที่เราไปกระ ท, ทำบาปด้วยและเป็นการเหมือนกับประจานตัวเราเองแล้วก็แล้วก็สัญญาว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกงั้นถ้าผู้ที่เขาที่เราร่วมเกินเขาเขาจากไปแ้แล้วเราก็ยังขอคมาในใจเราได้ว่าขอคมา ก, กับผู้ที่เราร่วมเกินว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปแบบนี้อีกนี่คือความเป้าหมายของการข อ, รขอโอโหสิกรรมที่แท้จริงก็คือ เือให้เราไม่กระทําซ้ํำซากในการกระทําที่มันไม่ถูกต้องนั่นเองจะมีผู้ผู้ที่เราร่วมเกินรับรู้หรือไม่นี่นก็ไม่สําคัญนสาคัญอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราทําผิดแล้วเราจะไม่กระทำผิดอีกนี่คือเป้าหมายของการขออภัยศีกรบคาถามจากคุณไอระดาครับ มีคนบอกว่าอย่าแผ่เมตตาและอย่าขอให้คนอื่นมีความสุขอย่าขอให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์บ่อยเกินไปเพราะจะทําให้บุญของเราลดภายภาคหน้าเราจะลําบากจริงหรือไม่เจ้าคะไม่จริงหรอกอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาไม่ใช่เป็นการขอให้คนอื่นมีความสุขต้องทําให้คนอื่นเขามีความสุขอาจารย์มหมายถึงยังเรียวกว่าเป็นการแผ่เมตตาขอไปยังไงมันก็ไม่เขาไม่มีความสุขจากการขอของเราเ แต่ถ้าเราเอาเงินให้เขาสักหมื่นหนึ่งด้วยดูเขาจะมีความสุขไหเราต้องทําอะไรทําประโยชน์ให้กับเขาแล้วเขาก็จะมีความสุขอันนี้ต่างหากคือการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่เมตตาด้วยการท่องในใจขอให้คนนั้นมีความสุขขอให้คนนี้นมีความสุขแล้วต่อหน้าเขาก็เป็นคนบึ้งตึงหรือว่า อ, อขี้เดียวไม่มียอมไม่มีการแบ่งปันไม่มีการเสียสละไม่มีการซื้อของข้อของอะไรมาฝากกันเลย อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการแผ N, ่เมตตาแต่ไม่ได้เป็นการแผ่แบบนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่พอ เ, เอาแก้วให้แก้วนกแก้วนกแก้วก็เกลี่ยเกี่ยทิ้งเพราะมันจะเอาแต่กล้วยอันนี้ก็เหมือนกันวมืที่เราท่องไปท่องไปแต่การกระทําของเราไม่เป็นไปตามที่เราท่อมการท่อมนี้เพื่อเป็นการสอนให้เรารู้วิธีกระทําที่ถูกต้องว่าต้องทําอย่างไรวินานเราโกรธใครก็ต้องให้อภัยเขา นี่เรีว่าแผ่เมตตาเวลาเราทําอะไรก็อย่าไปทําให้ผู้อื้อง เ, เสียหายเดือดร้อนหรือว่าไม่เบียดเบียน<ฮ>เวลาเราโกรธใครก็อย่าไปทำร้ายชีวิตเขาอย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของเขาก็ถ้าเราเห็นเขาไม่มีความสุขเราอยากจะให้เขาเปความสุขแล้วก็ซื้ออะไรมาฝากเขานะถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรหรืออยากได้อะไรแล้วก็หาสิ่งนั้นมาให้เขาเขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมา อันนี้คือการแผ่มเมตตามันไม่ได้ทําให้บุญเราลดน้อยลงมันทาให้เราไปบุญมากขึ้นการการกระทําเมตตานี่เป็นการสร้างบุญไม่ใช่เป็นการลดบุญงั้นอย่าไปเข้าใจผิดคนพูดแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดด้วยตามคนที่คนไม่รู้พูดมาก่อนนี่คือปัญหาของชาวพุทธเราไม่ศึกษาจากแหล่งที่แท้จริงคือจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ คำถามจะคุณมลธนาครับถ้าโมโหง่ายแบบขึ้นง่ายค่ะรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปแล้วชอบลืมตัวค่ะเราจะเริ่มฝึกอะไรก่อนดีคะถ้าไม่อยากที่โมโหก็ฝึกสติก็พยายามหมั่นท่องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีด้วยสึกมีการมี ม, ม, ม, มีเราจะรู้ทันอารมณ์ของเราเวลามันเกิดขึ้นมาเราท่องพุทโธพุทโธจิตจะเป็นแบบเป็นเหมือนกับจิตว่างเหมือนน้ําที่มันนิ่งนะ แล้ะพอจะเกิดอารมณ์ขึ้นมามันเหมือนกับเริ่มจิตเริ่มมีกระเพื่อมขึ้นมาเราจะเห็นทันทีถ้าจิตเราเป็นจิตที่ว่างที่เย็นั่นเราต้องบัดทําใจให้เราว่างให้เย็นด้วยพุโทโธพุโทโธ้วเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมานี่มันจะเห็นชัดขึ้นมาทันทีคาถามจากคุณจินนาครับกลับเรียนหลวงพ่อคือลูกมีอคติกับพระสงฆ์บางรูปลูกจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอก จริงแต่ว่ามันจะก็ทําให้เราขาดคอาสัมพันธ์กับพระรูปนั้นไปท่านนั่นเองถ้าเราไปเมีคติกับพระอริยะก็เราก็จะขาดการสัมพันธ์กับพระอริยะผู้ที่จะสามารถสอนธรรมะให้กับเราได้แต่ถ้าเราเมีคติกับพระพระไม่ดีเราก็จะได้ปลอดภัยมันก็แล้วแต่ว่าพระสงฆ์ที่เราเมีคตินั้นเรารู้ว่าท่านเป็นพระดีหรือไม่ดีท่านนั้นถ้าไปเมีคติกับพระดีก็เราก็เสียโอกาสไป ถ้ามีอคติกับพระไม่ดีแล้วก็ปลอดภั ย, เ, ยเราต้องรู้ว่าพระที่เรามีอคตินั้นท่านดีหรือไม่ดีอย่าไปมีอคติเพราะเหตุผลอย่างอื่นต้องดูที่ว่าท่านดีท่านเป็นพระซ้ำพระที่เหมาะพระเป็นพระสุ ป, ปฏิบัติโนหรือไม่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ คำถามจากคุณคิพคามครับกราบดังพระสการพระอาจารย์ค่ะการกราบไหว้เทพเจ้าต่างๆที่นอกเหนือนจากการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ผิดหลักพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะการกราบไหว้มันมีหลายหลายเหตุผลถ้าเรากราบว่าเพราะว่าเราให้เกียรติเขานี้ก็ไม่ไม่เสียหายเรับถือว่าเขาสูงกว่าเราเช่นเรากล่าวไหว้พ่อแม่เรากล่าวไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆนี่ก็ไม่เสียหายแสดงความเคารพได้ ถ้ากลับวหว้เพื่อยึดเขามาเป็นอาจารย์นี้ก็ไม่ถูกเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีใครที่จะรู้ทางหยุดพ้นจากความทุกข์ได้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ากลับไปกล่าวไหวเพื่อไปให้เขาสั่งสอนเราถ้าไปกล่าวไหวคนที่ไม่รู้ทางเขาก็จะพาเราหลงทางได้ถ้ากล่าวไหวแบบนั้นก็ไม่ควรกล่าว คำถามจากคุณกดชะพรครับการทําสมาธิเราสวดมนต์บริกรรมบทสวดบทใดบทหนึ่งถือเป็นการทําสมาธิใช่หรือเปล่าคะหรือท่องพุโทโธพุธโทโธครับก็เป็นการทําสมาธิเบื้องตน้นบางทีจิตของเรานี้ยังไม่มีสติพอที่จะควบคุมให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกไมพุโทโธได้เราก็ใช้อุบายของการสวดมนต์ไปก่อนเพื่อดึงดึงสติของเราให้กลับเข้ามาสติรำไรหายไปเพราะเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาก พอเราจะมานั่งสมาธิมันก็ไม่ยอมกลับมามันก็ยังคิดเรื่องนั้เรื่องนี้อยู่เราก็เลยต้องใช้การสวดมนต์นี้เป็นอุบายหนึง่งจิตหนึน่งสติให้กลับเข้ามาในใจเราพอเราสวมสาดมนต์สักพักแล้วใจเราก็ก็จะความคิดต่างๆก็จะหายไปแล้วเราก็จะมาดูลงหายใจเข้าออกได้คำถามจากคุณโสพิดาครับ ข อ, อน้อมกราบนำ้ำพิะสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากรู้เวลานั่งสมาธิอยากจะลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นแต่มีสติรู้ตัวทุกอย่างขอความเมตตาเจ้าค่ะก็ยังไม่ถึงเวลาจะลืมเนี่ยเวลเานั่งหลับตาถ้าจิตมันสงบมันก็ไม่อยากจะลืมตาขึ้นก็รอให้มันลืมตามันอยากจะลืมตาแล้วคก็หนึนอย่าไปบังคับมันเวลานั่งสมาธิถ้าจิตมัเข้าข้างในแล้วมันก็จะไม่อยากจะออกข้างนอกต้องรอให้มันหมดกําลัง แล้วมันก็จะถอนออกมาเองแล้วมันก็จะเล็มตาได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคําถามจากคุณสัตัญญานะครับกบราบน้ัพรสการพระอาจารย์เจ้าขา้าขอคําแนะ น, นําด้านการปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาลูกตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าจะถือศีลแปดสัปดาห์ละสองวันปกติจะทําวัดเช้าเย็นสวดมนต์บทยาวๆและนั่งสมาธิได้ครั้งละประมาณสิบถึงสามสิบนาทีบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบค่ะช่วงระหว่างวันทํางานบ้านต่างๆก็จะพยายาม ที่สติและลึกพุโทโธให้ได้มากที่สุดอยากทราบว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องดีแล้วหรื อ, อยังเจ้าคะควรปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปหรือควรปฏิบัติอะไรเพิ่มไหมคะถ้าสามารถปฏิบัติตามที่เราตั้งสัจจะไว้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นต่อไปถ้าเราสามารถทําได้เช่จนจากสัปดาห์ละสองวันเป็นสามวันเป็น4ี่วันในทั้งหลานี้ก็ต้องทําให้มากขึ้นถ้าอยากจะก้าวหน้า ผลอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติน้อยผลก็น้อยปฏิบัติมากผลก็มากอย่าที่ว่ามันนี้ก็เป็นการกระทำที่ถูกตั้งแล้วถือสิ่งแปรได้แล้วก็สวดนมนต์เช้าเย็นได้นั่งสมาธิได้ครั้งละสิบถึงยี่สิบสามสิบนาทีก็ดีถ้าอยากจะได้มากกว่า น, นั้นอาจจะเพิ่มเวลานั่งสมาธิช่วงกลางวันบ้าง ก, ก็ได้แล้วแต่ คือสนุปก็คือขอให้ทำให้มากขึ้นถ้าอยากจะพัฒนาอยากจะก้าวหน้ามากกว่านี้อาจารย์ครับมีคนฝากถามเข้ามาในทางไลน์ครับสวัสดีครับขอฝากคำถามนะครับเขาบอกว่าเวลาผมนั่งสมาธิสติผมจะจดจ่ออยู่ที่พุโทโธตามจังหวะการหายใจเข้าออกโดยไม่สนใจความเป็นไปของร่างกายพอทําไปสักพักเล็กๆก็โ ก, กลนขึ้นมาตอนโกลนก็รู้ว่าโกลนแล้วก็หยุดโกลนทันทีผมก็ไม่ได้สนในอะไรก็ทําสมาธิต่อไปแต่พอนั่งอีกสักพักก็เป็นแบบเดิมอีก ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดครับและต้องแก้อย่างไรครับก็คงจะเลิมอยากจะหลับมันมันถึงเริ่มโกลนขึ้นมาถ้ า, ถายัางนั่งต่อไปได้ก็นั่งต่อไปถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วมันไม่สงบก็อาจจะลุกขึ้นมาเดินจงผมก่อนเดินเพื่อมาเสริมสติให้มีกำลังมากขึ้นเพราะสติเราอาจจะน้อยมันถึงทำให้จิตเราเริ่มเคลิ้มเริ่มโกลนขึ้นมา คำถามจะคุยอินวอรนครับขอถามอีกหนึ่งข้อครับกับเรียนถามพระอาจารย์หากผมตั้งใจรักษาศีลห้าไม่ทํำบาปเลยประกอบกับภาวนาพุโทโธวันละหนึ่งชั่วโมงพร้อมกับพิจารณาร่างกายไม่ให้กลัวความแก่ความตายต้องทํากี่ปีถึงจะได้ขั้นโสดาบันขอพระคุณครับมันไม่ได้อยู่ที่กี่ปีหรอกมันอยู่ที่ว่าเราทําให้เราไม่กลัวได้ตลอดเวลาหรือเปล่าเราต้องปฏิบัติไปจนกระทั่งเราสามารถ ทำให้ใจเราไม่กลัวความแก่ความตายได้ทุกเวลานาทีอันนั้นก็จะได้โสดาบันทันทีนันมันอยู่ที่ว่าเราสามารถสอนใจด้วยปัญญาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นไปไม่ได้แล้วเราพยายามรับมันได้ทุกเวลานาทีหรือไม่พร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะตายทุกเวลานาทีหรือไม่ไม่กลัวความแก่ความตายตลอดเวล า, าหรือไม่ก็บรรลุได้ คำถามจากคุณไอระดาครับถ้าไม่ได้ทําบุญแต่อยากแผ่เมตตาได้ไหมคะเช่นขณะนั่งรถว่างๆแผ่เมตตาได้ไหมคะได้ก็ยิ่งไม่กับคนที่นั่งข้างๆเลยแล้วฉัทักทายคุยกับเขาอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาคือการมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับผู้อื่นหรือว่าสมัยก่อนนี่ เวลามีผู้หญิงหรือคนแก่หรือเด็กขึ้นรถเมยนี่ผู้ชายนี่มักจะลุกขึ้นยืนให้กับเด็กหรือสตรีหรือผู้สูงอายุนั่อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขกับผู้ด้วยการเสียสละความสุขของเราจากการที่เราได้นั่งยอมลุกขึ้นมายืนเพื่อให้คนที่เขา อ, อ่อนแอกว่าเราได้นั่งอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเห็นถ้าเกิดเราเห็นคนแก่กว่าเรา กำลังยืนอยู่แล้วเรานั่งอยู่แล้วก็นุกขึ้นมาแล้วว่าเชิญคุณป้านั่งสิคะหนูยืนได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ทําเป็นอุเบกขานอุเบกขาใช้ผิดเวลาก็ไม่ได้นะมันก็กลายเป็นคนใจจืดใจดำไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้พ่ถึงเวลาจะต้องแผนเมตตากลับไปใช้อุเบกขามันก็มันก็ไม่ได้ก็จะไม่ได้บุญ ต้องรู้จักเวลาใช้อุเบกขาอุเบกขาใช้ตอนที่เราไม่สามารถช่วยช่วยช่วยคนอื่นได้แล้วนะครับเช่นเขาป่วยเขาจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็พาไปหาหมอแล้วหายาให้เขาทําทุกอย่างให้เขานะั่งแต่เขาก็ยังต้องตายอยู่ดีอันนี้เราก็ต้องทําใจอุเบกขาเป็นกรรมของเขาเนะี่ยต้องรู้จักใช้อุเบกขาให้ถูกเวลาอุเบกขาก็กรรมเมตานี่มันจะอยู่คนละด้านกัน ถ้าอุเบกขาก็จะไม่ได้เมตตาถ้าเมตตาก็จะไม่ได้อุเบกขาแต่ก็ต้องเมตตาให้สุดก่อนแล้วก็ค่อยไม่ได้แล้วเราเ็นต้องแ้วแต่กรณีด้วต้องแล้วแต่เหตุการณ์นไงเหตุการณ์ต้อ ง, องให้เราให้เมตตารเราไปใช้อุเบกขาก็ไม่ถูกครับในกรณีที่เหตุการณ์ต้องบังคับให้เราใช้อุเบกขาแล้วเราไปใช้เมตตามันก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์มันทําให้ใจเราเศร้าได้เมื่อเราไม่สามารถช่วยเขาได้ ครับผมจากคุณศรีภัยครับนั่งเจริญภาวนาอยู่เกิดอาการกระตุกคืออะไรครับก็คืออาการกระตุกก็ให้ลื อ, อเฉยเก็เป็นเป็นตายลักไปมีเกิดมีดับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปกังวลมันจะกระตุกกังวล ก, กระตุกคำ ถ, ถามจากคุณนัท ด, ดารุณีครับการอภิษฐารค่ะทาบุญทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการให้ทานทําสมาธิไหว้พระสวดมนต์ต้องแผ่บุญกุศลทุกครั้งไหมคะ ก็อยู่ที่เราว่าเรารู้จักใครที่เขารอรับส่วนบุญอยู่หรือเปล่าถ้าไม่รู้เราจะไม่แผลก็ได้หรือเราจะแผลให้กับสรรพสัตว์ท่างปวดก็ได้เพราะบางทีมีดวงวิญญาณที่ไม่มีญาติพี่น้องคอยส่งบุญไปให้เราก็าอาจจะส่งบุญนี้ให้เขาไปแทนก็ได้คํถาถามจากคุณโมโจครับกาตมณฑสการครับเคยได้ยินมาว่าการทําบุญแล้วไม่อธิษฐานจิตในสิ่งที่ปรารถนา เปรียบเหมือนการออกเรือโดยไม่มีหางเสือไม่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ครับคือถ้าไม่อธิษฐานว่าจะทําบุญก็อา จ, จะไม่ได้ทําบุญกันสิใช่ไหมคำอธิษฐานคือความตั้งใจไม่ได้หมายความว่าให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้คือเราต้องรู้ว่าบุญแต่ละชนิดนี้จะให้อะไรกับเราถ้าอยากจะไปเป็นเทวดาเราก็ต้องทําทางรักษาศีล ถ้าให้ดีเราก็จะไปเป็นเทวดาถ้าเราอยากจะไปเป็นพรหมเราก็ต้องไปนั่งสมาธิถือสิงแต่เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้จากการทําบุญชนิดต่างๆงั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการผลของบุญในระดับไหนแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องไปสร้างเหตุที่จะทําให้บผลผลของบุญตอนนั้นเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการอธิษฐานแล้วเป็นการ เราต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีลเราจะทําบุญใส่บาต ท, ทุกวันเพื่อเราจะได้ไปเป็นเทวดาเราก็จะได้ไปเป็นเทวดาเพราะงั้นก่อนที่เราจะทําบุญแต่ละชนิดนี้เราต้องอธิษฐานก่อนคือเราต้องมีความตั้งใจก่อนเช่นวันนี้เรามีความตั้งใจจะมาฟังธรรมถ้าเราไม่ตั้งใจว่าวันนี้เวลาสองทุ่มจะมาฟังธรรมเราอาจจะพลายกับการดูอะไรอย่าหอื่ไป แล้วก็เลยไม่ได้มาฟังธรรมก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเราตั้งใจไว้เราก็จะคอยดูยานาฬิกาถึงสองทุ่มหรือยังสองทุ่มแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะมาฟังธรรมแล้วนี่คือความหมายของความตั้งใจหรืออธิษฐานเพื่อให้ใจเราไม่เหมือนกับเรือที่ต้องมีหางเสือไงเรือไม่มีหางเสือมันก็ไหลไปตามกระแสเหตุการณ์ต่างๆแทนที่จะมาฟังธรรมตอนสองทุ่มอาจจะมี รายการอย่างอื่นโผล่ขึ้นมาแล้วน่าสนใจก็เลยอาจจะดูรายการนั้นไปแทนที่จะมาฟังธรรมนี่เลยว่าไม่มีอธิษฐานไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมในเวลานี้แต่ถ้าตั้งใจแล้วถึงแม้จะเห็นมีรายการอย่างอื่นโผล่ขึ้นมาน่าสนใจก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูเพราะได้ตั้งใจว่าจะฟังธรรมนี่คือความหมายของอธิษฐานมันจะทําให้จิตเรามีทิศทางเดินไปตามที่เราต้องการได้ ถ้ไม่อธิษฐานไว้วันนี้ไม่อธิษฐานว่าจะมาฟังธรรมตอนนี้อาจจะไม่ได้มาฟังธรรมก็ได้อาจจะไปเล่นเกมหรืออาจจะไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนหรือไปรับประทานอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมพอเราตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้จะฟังธรรมพอถึงเวลาเราก็จะได้มาทําตามที่เราตั้งใจ คำถามจากคุณพักขาวลันครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตัวข้าพเจ้าเองเคยคิดอยากสละทุกสิ่งเพื่อไปไปฏิบัติที่วัดเป็นประจําแต่จิตแว บ, บหนึ่งก็ให้คหํานึงถึงบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งหากจะละไปจริงๆจะเป็นบาปกรรมแก่ข้าพเจ้าใหมคะไม่บาปหรอกถ้าเราเกิดตายไปในวันนี้บาปหรอือเปล่าไม่ถ้าเกิดเราไปเจออุบัติเหตุลดวความตายเราที่บิดามารดาให้อยู่ตามลำบากของเขามันไม่เป็นการกระทําที่เป็นบาป การพลาดาดจากการนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราต้องดูว่าบินามารดาเขาอยู่ในสภาพไหนถ้าเขายังอยู่ในสภาพที่เขาต้องพึ่งเราถ้าเราไปทิ้งเขาอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าไร้ความเมตตาไร้ความกระตันอยู่แต่ไม่บาปแต่ขาดบุญไม่มีความเมตตาไม่ไม่มีการกระทำบุญ ถ้าอยากจะได้มุนอยากจะเป็นคนดีก็ต้องดูแลพ่อแม่ไปถ้าเขาต้องขึ่งเราแต่ถ้าเขาไม่ต้องพึ่งเราเขาพึ่งตัวเขาเองได้เช่นเขามีฐานะาการเงินการทําดีกับเราเราไปบวชเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาไปได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สละราชสมบัติแล้วไปบวชคนที่อยู่ในวังเขาก็ไม่เดือดร้อนเขา ก, ก็มีสถานะที่ร่ํารวยอยู่แล้วเพียงแต่เขาอาจจะขาดเราไปเขาอาจจะคิดถึงเราแล้วก็อาจจะมีความ เศร้าใจทุกครั้งที่เขาคิดถึงเราอันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องกิเลส ข, ของเขาแต่เราไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนแต่อย่างไรเขายังอยู่ต่อไปได้อย่างเป็นปกติเนี้าถ้าพ่อแม่ของเราอยู่เลี้ยนะที่เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเราอยากจะไปบวชก็ไปได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นการกระทําบาปใดๆในการทําบุญเสียเพราะการบวชนี่เป็นการไปไปสร้างบุญอันประเสริฐ ที่เราไม่สามารถสร้างได้ในขณะที่เรายังไม่ได้กวดคําถามจะคุณนัฐถาครับเราสามารถแผ่เมตตาได้บ่อยแค่ไหนในแต่ละวันคะทุกครั้งที่เราเจอสัตว์เจอบุคคลเจอสุนัขเราก็ให้ความเมตตาเขาได้เจอบุคคลเราก็ทักทายเขาได้ยิ้มให้เขาได้หรือมีอะไรช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปทําได้แต่ต้องมีผู้รับความเมตตาของเราไม่ใช่ แผด้วยการพูดโดยลอยอันนั้นไม่ได้เป็นการแผดเมตตาเป็นการท่องบทแผดเมตตาต่างกันนะครับเป็นการท่องกับการกระทำนี่มันไม่เหมือนกันการท่องนี้อาจจะได้สติอาจจะได้เป็นการฝึกสติแผดเมตตาด้วยการสวดบทแผดเมตตาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นอุบายวิธีของการเจริญสติแทนพุทโธหรือแทนการสวดมนต์ได้ คำถามจากคุณทซครับสามมาสมาธิกับวิจฉาสมาธิเป็นอย่างไรครับผลมีความต่างกันอย่างไรครับคือสมาธิที่จะสนับสนุนปัญญาเรียกว่าสามมาสมาธิสมาธิที่ไม่สนับสนุนปัญญาเรียกว่าวิชฌาสมาธิสมาธินี้มีอยู่สองแบบคืออัปปนากับอุปจารสมาธิอัปปนานี้ก็รวมถึงถึงคณิกาสมาธิ คือเป็นความสงบที่นิ่งจิตเนิ่งเย็น ส, สบายมีอุบเบกขาสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่จะสนับสนุนการปฏิบัติทางปัญญาเพื่อตัดกิเลสให้หมดไปจากใจแต่อุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่ไม่มีอุบเบกขาเพราะจะออกไปแสดงไปรับรเรื่องรองาวต่างๆในโลกทิพย์เช่นจะไปติดต่อกับกายทิพย์จะไปรับเรื่องชาตได้ ไปอ่านวาลับจิตของผู้อื่นได้สมาธิแบบนี้จะไม่มีอุบเบกขาจะทาให้จิตไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลาปัญญาสอนให้สู้กับกิเลสก็จะไม่มีกำลังสู้ยังมิจาสมาธิก็คืออุปจารสมาธิพวกที่ได้ชาพวกที่ได้ฤทธ์ต่างๆนี้เรียกว่าเป็นวิจชาสมาธิเอ่หเดินอากาศหูทิพตาทิปปะนึกฌาได้ อะไรขอเราเนี่เป็นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปสู้กับกิเลสได้สมาธิที่จะสลัสดสนปัญญาเพื่อให้สู้กับกิเลสได้ก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิจิตที่สงบนิ่งในอุเบกขาคำถามเจ้คุณแพตครับทําอย่างไรคะที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆขณะมีอารมณ์ต่างๆเช่นอารมณ์โกรธโดยที่เราไม่โกรธเองจะเป็นการเก็บกฎไหมคะ ถ้าเป็นผู้รู้ผู้ ด, ดูเฉยๆจะไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์มันแสดงว่ากลายเป็นผู้ก <c> ล <oughs> ายเป็นตัวตัวกู่ขึ้นมาถ้ามีตัวตนขึ้นมาแล้วมันก็จะมีอารมณ์ตามมาแต่ถ้าไม่มีตัวตนแล้วมันเป็นผู้รู้เฉยๆมันก็จะไม่มีอารมณ์เน้นางตใจถ้าเรายังมีอารมณ์อยู่สแสดงว่าเราไม่ได้เป็นผู้รู้เฉยๆการที่จะเป็นผู้รู้เฉยๆนี่เราต้องฝึกสมาธิให้มากเข้าสู่ เข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้แล้วให้บ่อยให้งานเราจึงสามารถจะเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆได้คำถามเจ้าคุณชัดชพงครับการนััศการครับการทำบุญสร้างสะพานถนนเข้าวัดได้อนิสงส์มากไหมครับและถ้าทุกครั้งที่มีคนใช้สะพานหรือถนนนี้ไปทำบุญที่วัดเราจะได้บุญทุกครั้งที่มีคนใช้ไหมครับ เราได้ไปแล้วเวลาที่เราเบริจาคเงินสร้างสะพานนี้ไม่ได้เพิ่มเหมือนกับเก็บค่าด่านบางคนคิดว mm ่าเก็บค่าด่านทุกคนที่ทุกครั้งที่คนใช้สะพานนี้แล้วก็จะได้บุญเพิ่มไ ม, ไม่ได้หรอกสมมติเราทําบุญร้อยบาทเราก็จะได้แค่ร้อยบาทแล้วคนที่จะมาใช้สะพานอีกครั้งเราก็ไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใดชัดเจนเลยครับอาจารย์ <laughs> แต่คุณอเปิลครับกับเรียนสาบถามพระอาจารย์เจ้าข่าในการทํางานเราถูกเบียดเบียนจากผู้อื่นทําให้มีผลกระทบกับหน้าที่ของเราเราควรจะวางจิตในเรื่องอนัตตาอย่างไรคะคือในเรื่องการจะใช้อนัตตาตอนนี้มันอาจจะยากถ้าเป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครถูกเหบียดเบียนถ้าคุณยังคิดว่าเราถูกเบียดเบียนอยู่ก็ยังแสดงว่ามีอัตตาอยู่ยมีเราอยู่ แต่ถ้าคุณไม่คุณเห็นอนัตตาจริงๆคุณจะเห็นว่าไม่มีใครเบียดเบียนใครเบียดการเบียดเบียนเป็นการกระทําอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปผู้เสียหายก็เป็นผู้ที่รับรู้แล้วก็ผ่านไปถ้าคุณทําอย่างนี้ได้คุณก็ถือว่าคุณไม่มีอัตตาแต่ถ้ายังคุณยังคิดว่าเราถูกเบียดเบียนทําให้เราเกิดอารมณ์ทำให้เราไม่สามารถทําหน้าที่อย่างนี้ได้ก็แสดงว่าคุณยังมีอัตตาโตต้นอยู่ เห็น้าอยากจะอยากจะทําอยากจะคิดว่าเป็นอนัตตาจริงๆก็ต้องคิดว่าไม่มีผู้กระทําทและไม่มีผู้ถูกกระทําทเป็นการกระทําท น, นุนน่นๆเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ยเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการกระทําทแต่ไม่มีผู้รับผลของการกระทําทและการกระทําทก็ไม่มีผู้กระทําทไม่มีใครสักปล่อยน้ําลงมาจากบนฟ้าเพื่อมาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใช่ไหมไม่มีมันเป็นธรรมชาติทุกนี้ การกระทํานี่มันเป็นธรรมชาติฝนตกแดดออกฟ้าร้องเป็นธรรมชาติแล้วผู้ที่รับผลกระทบเช่นน้าท่วมหรือแหกหรืออะไรเหล่านี้ก็เป็นผลก็เป็นเป็นปรากฏการณ์เท่านั้นเองไม่มีตัวตนทั้งนั้นรรถ้าคุณอยากจะพูดถึงอนัตตาคุณต้องบอกว่าไม่มีผู้กระทําและไม่มีผู้ถูกกระทํามันทําใจได้นั้นแหละเวลาใครก็เบียดเบนแล้วลก็ไป็การกระทําอย่างหนึ่งแล้วผู้ คนเสียหายก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ที่ที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่มีไม่มีผู้เี่ยไม่มีผู้เสียหายจริงๆอั น, นยากเลยครับอาจารย์อนันตานี่ยากเลยนะครับอาจารย์ครับคุณชมชนกครับน้องกล่าวธรรมสการเจ้าขาการรับเป็นเจ้าภาพกระถิ่นให้กับทางวัดที่มีทุนทรัพย์จำกัดได้บุญมากน้อยไหมเจ้าค่ะ คือจะเป็นเจ้าภาพอะไรก็ตามการทำบุญชนิดไหนก็ตามอยู่ที่ปริมาณของเงินที่เราเสียไปเสียเงินมากก็ได้บุญมากคนเรามักจะเข้าใจผิดกันหาเรื่องกระถิ่นมันกล้เข้ามาแล้วไหนๆก็จะขออธิบายให้ฟังว่าทําไมเขถึงว่ากระถินนี้มีอ น, นิสงฆ์มาก ค, คําว่าอนิสงฆ์นี้ไม่ได้แปลว่าผลบุญอ น, นิสงฆ์นี้ตามหลักที่พระเจ้าแสดงในตอนนั้นหมายถึงประโยชน์ เพราะอะไรเพราะในยุคแรกๆนี้ไม่มีใครถวายผ้าแต่ใส่บาตรอย่างเดียวแล้วพระต้องไปหาผ้าตามป่าช้าเรียกว่าผ้าบางสกุลนี้พอมีผ้ามาบวชมากขึ้นมากขึ้นป่าช้าก็เลยไม่มีผ้าในป่าช้าก็เลยไม่ขาดตลาดไม่พอใช้พระก็เลยมีผ้าไม่พอใช้วันหนึ่งมีกลุ่มพระกลุ่มหนึ่งมากากพระพุทธเจ้าระหว่างทางไปเจอฝน จีวรที่นุ่ง ม, มาก็เลยเปียกแล้วก็ต้องไปเฝ้าพราะพุทธเจ้าในขณะที่จีวรเปียกไม่มีจีวรสำรองมาเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นความยากลำบากของพระภิกษุในตอนนั้นก็เลยเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าต้องบอกญานิโยมให้ทำให้ให้ถวายผ้าแก่พระื่อให้คือการถวายผ้ากับถิ่นนี้เองพราจะได้เป็นประโยชน์กับพระเป็นอย่างยิ่งว่าะพระกาลังถายแค่งพระเป็นอย่างมาก คำว่านิสงหมายถึงประโยชน์ที่ผู้รับจะได้จากการให้ของเราคือให้ผ้าถ้าไปให้อาหารก็เหลือกินใส่บาททุกวันล้นกินไม่หมดแต่เส้นที่พระกุติก็มีอยู่แต่ไม่มีผ้านุ่งไม่คอยเปลี่ยนองค์จเจ้าเลยก็ต้องบอกญาติโยมอนึว่าตอนนี้พระอสองฆ์ท่านขาดผ้า ท่านก็เลยสั่งให้ถวายผ้าแต่ถ้าไม่ให้ถวายแบบทําเพื่อใหถวอยมากเกินเกินไปทัานกลัวจะถวายมากเกินไปท่านเลยกำหนดเวลาว่าให้ถวายได้ปีละหนึ่งครั้งก็พอเพราะผ้านี้เมื่อได้มาแล้วมาตัดเย็บเป็นจีวรแล้วก็สามารถใช้ได้ประมาณหนึ่งปีอย่างน้อยหนึ่งปีไว้ปีหน้าแล้วคม่มามามาหาใหม่เพราะไม่ต้องการให้พระต้องมาคอยหาผ้า โดยก็ถ้าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมถ้าญาติโยมมาถวายผ้าทุกเดือนทุกวันพระก็ต้องมาคอยรับผ้าเลยไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมญาติโยมก็ยังหาอุบายอยากจะถวายผ้าอยู่ก็เลยเปลี่ยนจากผ้ากรถินมาเป็นผ้า ป, ป่ามันก็เป็นการถวายผ้าเหมือนกันเนแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองก็เลยทําให้พระต้าามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้นจะไปปิดวิเวกเพื่อไปปฏิบัติธรรมก็ไปไม่ได้ ว่าญาโยมอยากคอยนิมนต์มาให้รับผ้าป่าอยู่เนีามจริงผ้าผ้ากริ่นนี่วระเจ้าต้องการให้ถวายแค่ปีละครั้งเดียวก็พอถวายให้กับวัดที่ขาดแค่ผ้าเพื่อพระสมัยนั้นท่านต้องตัดเย็บผ้าของท่านเองเมื่อท่านตัดเย็บผ้าเสร็จแล้วเป็นเป็นหน้านาเป็นเวลาที่เหมาะต่อการไปปิดวิเวกไปทุดองท่านก็จะได้ยากทางจะไปไปปิดวิเวกไปทุดองกันพระเจ้าจึงบอกว่าให้ถวายเพียงหนึ่งเดือน หลังจากออกพรรษาช่วงเวลาที่ถวายผ้ากระถิ่นได้เอาแค่หนึ่งเดือนก็พอหลังจากนั้นบมดหมกระถิ่น้าการบทการถวายผ้ากรถิ่นพระจะได้ไปปีกวิเวกได้งั้นเดี๋ยวญาติโยมจะนิมนต์รับผ้าต่ตอรับออกก่อนนั้นก็อยากจะเป็นเจ้าภาพคนนี้อยากจะเป็นเจ้าภาพอ้ไรก็เลยยังมีเจ้าภาพคอยมานิมนต์อยู่เรื่อยๆพระก็เลยไปปีกวิเวกไม่ได้แา่นี่ถวายได้เพียงครั้งเดียว ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเราพะได้รับผ้าตัดผ้าเย็บผ้าเปลี่ยนผ้าได้ผ้าใหม่เสร็จแล้วก็แยกกันไปทุดงไปหาที่สงบไปภาวานากันอันนี้เกิดที่มาของคําว่าอ น, นิสงส์ของผ้าก็ถึงว่ามีประโยชน์มากไม่ใช่มีบุญมากบุญอยู่ที่ว่าถวายกี่พื้นถ้าถวายผื้นเดียวก็ได้บุญหนึ่งพื้นถ้าถวายสิบพื้นก็ได้บุญสิบพืนหรือตรงนั้นอยู่ที่ปริมาณของการถวาย แต่ประโยชน์ของผู้รับถวายสิบเพลนกับถวายหนึ่งเพลนมันก็เท่ากันเพราะใช้ได้แค่เพียงหนึ่งเพลินเข้าใจไหมครับผมวันี้ถวายพา้าเท่าสิบชุดนี้แล้วท่านอยากไปทําอะไรละ่ะมันก็ใส่ได้ใช้ได้ค่ัชุดเดียวเพราะท่าน ถ, ถือทุดดงเขาวัดว่าจะถือผ้าตายเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นเองครับผมหมายเข้าใจความหมายบุญที่ญาติโยมทํำนี่มากน้อยอยู่ที่ว่าญาติโยมถวายมากถวายน้อย ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผ้าพป่าหรือเป็นกฐินหรือเป็นวิหาราทานหรือเป็นวิงเทบะอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าปริมาณของการเสียสละว่าเราเสียสละมากน้อยเพียงไรคุณนัตตานะครับจากที่ฟังพระอาจารย์มาการแผ่เมตตาคือการสร้างหรือทําดีให้คนอื่นรู้สึกมีความสุขถ้าเช่นนั้นเวลาเราสวดหรือท่องคาแผ่เมตตาในใจก็เทียบเท่า ก, กับการฝึกสมาธิเท่านั้นเองถูกต้องไหมคะ นั่นก็เป็นการเตือนเราเป็นการถือสติว่าเราต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นนะบันทีถ้าเราไม่เท่าเนี่ยเราก็ลืมได้เพราเวลาเราโกรธขึ้นมาเราก็จะไม่เราก็จะไปทําร้ายเขาได้เป็นต้นแต่ถ้าเราคอยห้องคอยเตือนใจอยู่เด้วยว่าเราต้องให้อภัยเขานะเวลาใครก็ทําให้เราโกรธเกิดความเสียหายเราก็ต้องให้อภัยไม่ใช่ไปด่า ก, กันไม่ว่ากันไปทะเลาะกันไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันวุ่ น, ว า, นวายไปหมดทุกวันนี้ เพราะลืมหรือว่าเราชาวพุทธต้องรู้จักการแผ่เมตตาต้องรู้จักการให้อภัยคำถามจากคุณสัิตาครับก ร, กร่าวอทศกัณฐ์พระอาจารย์เจ้าค่ะหลานมีทุกข์ในเรื่องหนึ่งมากๆเข้าแล้วเอาทุกข์มาพิจารณาถึงสาเหตุแล้วก็ดับทุกข์ได้เข้าใจธรรมชาติได้พอหลังจากเหตุการณ์นี้หลานจะไม่ค่อยรับรู้ภายนอกไม่อยากคิดปรุงและแทบจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเช่นมีคนมาคุยด้วยก็แทบจะไม่ได้ยินเลย แบบนี้ปกติไหมเจ้าคะ่ปะปกติสต่เราผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะไม่ค่อยอยากจะออกไปรับเรื่องเรื่องของคนเดินคอยทอดดูใจของเราเพียงอย่างเดียวก็ พ, อ, อ, พอคอยควบคุมใจเราอยากไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถทําให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปนั่นถูกต้องแล้วเนะี่ยพยายามอยู่ข้างในให้มากที่สุดรับรู้เท่าที่จําเป็นจะต้องรับรู้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เท่าที่จําเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ ถ้ไม่มีแล้วก็อยู่เงียบๆของเราดีกว่าอยู่แบบสามัคคีเงียบๆไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปออกความเห็นบนสมัยนี้ในเฟสโน่นนี่โอ้ความเห็นโน้นหน้าคนนี้ก็ว่ า, อ ย, า, วาอย่างนั้คนนี้ก็ว่าอย่างนี้ว่ากันไปว่ากันมาแล้วก็ด่ากันเดี๋ยวนะไอ้ที่เฉลก็ไปพร้อมน้องขึ้นรงขึ้นสารกันคําถามจากุลเปตองทีวีครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับถ้ามีพระรูปหนึ่งในวัดหนึ่ง ที่มีความคิดที่แตกต่างไปจากพระรูปอื่นจะเป็นอะไรใหม่ครับก็ อ, อยู่ที่หลักธรรมว่าจะไปต่างกับพระรูปหนึ่นหรือไม่ไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราต่างจากหลักธรรมคาสอนของพอระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าต่างจากหลักธรรมก็ผิดนะคำถามจากคุณเคสครับากราบธรรมศักดิพระอาจารย์เจ้าข่าการอุทิศส่วนบุญกุศลแก่แมารดาผู้ร่วงรับในยุคโควิด -19 หากไม่สะดวกกับ ก, บการทําสังฆทานจะโอนเงินถวายโรงพยาบาลสงฆ์ พอจะมีอนันดับส่งผลบุญเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะเหมือนกันได้หมดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปทำเองโอนเงินเข้าโรงพยาบาลสมงหรือโอนเงินเข้าวัดก็ได้แล้วแต่ราจะศ ร, รัทธาหรือทำงานทำบุญกับองค์กรอื่นก็ได้เช่นโรงพยาบาลเช่งตอนที่โรงพยาบา ล, ล, บาลขาดแคลนอะไรล้วก็โอนเงินเพื่อให้เขาไปซื้ออุปกรณ์เหล่า น, นั้นก็ได้ก็ได้เหมือนกัน คำถามจากคุณปียดาครับการใช้เงินใส่บาตรเป็นบาปไหมคะสําหรับญาติโยมใส่บาตรใส่เงินเงินใส่บาตรนี่ไม่บาปหรอกเป็นบุญแต่ว่าพระสงฆ์นี่ท่านไม่สามารถรับเงินจากญาติโยมได้โดยตรงจะรับได้ผ่านลูกศิษย์ <c oughs> คือโยมต้องฝากเงินนี้ไว้กับลูกศิษย์แล้วเวลาพระต้องการที่ยาซื้ออะไรต้องการอะไรลูกศิษย์ก็จะเอาเงินที่โยมถวายนี้ไปซื้อให้กับพระ พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระเก็บเงินเก็บทองไว้กับตัวเพราะกลัวจะถูกป้อนถูกจี้เพราะพระสมัยก่อนที่ท่านอยู่ตามป่าตามเขาตั้นทุดงกันอยู่ที่เปลี่ยวถ้ามีเงินติดตัวไปด้วยเดี๋ยวก็โดนผู้ที่ไม่หวังดีมาป้นมาจี้ทําร้ายร่างกายได้จึงต้องประกาศให้คนเข้รู้ว่าพระไม่พกเงินพกทองนะพระเก็บเงินเก็บทองไว้กับญาติอยู่ถ้าอยากจะได้เงินก็ไปป้นที่ญาติอยู่ แต่ว <laughs> ่ า, าป้นที่พระความหมายก็คืออย่างนั้นอพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถวายเงินได้อยู่แต่ว่าต้องต้องฝากลูกศิษย์หรือญาติโยมที่ติดตามพระมาเช่นเวลาพระบิณดบานักจะมีลูกศิษย์เข้ามาช่วยถ่ายบาตรและช่วยคอยช่วยที่อถือข้าวถือของอะไรต่างๆก็ฝากเข้าไว้แล้วบอกพระว่าจนถวายใหเงินไว้กับลูกศิษย์คนนี้ถ้าไม่บอกท่านกนไม่รู้บางทีลูกศิษย์ก็ทำเป็นนิมได้นะ <laughs> บางทีเขาเลยต้องมีใบปาวานาเยเขียนใบปาวานาคือเขียนกระดาษบอกว่าขอถวายเงินจํานวนนี้ให้กับท่านนะแล้วก็อันนี้มอบให้กับพระได้พระรับกับมือได้ใส่ไปในบาตรได้ใบปาวานาเขเรียกว่าใบปาวานาเพื่อพระจะได้รู้ว่าญาติโยมได้ได้ได้ถวายเงินแล้วได้ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์แล้วนะเดี๋ยวพระราพระกับวัดจะได้ถามลูกศิษย์ดูว่าถ้าลูกศิษย์ทําเป็นเดิมมันจะเตือน แต่คุณสุรางครับกลาวรำมรสรเจ้าขาคนที่มีบริวารมากเพราะชาติที่แล้วเขาสร้างบุญไว้เยอะไม่ทําคนเดียวแต่ชอบบอกบุญผู้อื่นให้มาร่วมบุญด้วยกันใช่ไหมคะไม่ใช่หนละ่ะคนที่มีบริวารเยอะเขาเลี้ยงบริวารเลี้ยงคนเยอะเราเนี้ยคนเยอะๆเสียคนจะติดตามเราไปไหนทุกแห่งทุกคนถ้าเราไม่เลี้ยงเขาเขาจะตามเราหรือไม่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราไม่ได้อยู่ว่าทําบุญด้วยกันหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเลี้ยง เราเรลี้ยงลูกน้องหรือเปล่าเลี้ยงคนอื่นหรือเปล่าถ้าเราเลี้ยงแล้วเขาก็จะติดใจชอบเราพอเจอเราก็จะติดตามเราทันที <Yeah. S 1> เหมือนเยวกับโนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เดิน <Yeah. S 1> มินนบ่าเนี่ยพรลูกลูกหนึงท่านโยนโ ย, ยนของอาหารให้มากินเนี่ยบอกว่าหมาไม่ร ม, มาเป็นฝูงเลยเ <Yeah>. oh. พราะมันรู้ว่าจะได้กินซึ่งไม่ควรกระทำแต่เราก็ oh. ไม่สามารถบอกเขาได้เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าว่า ก็ต้องถือเบ็ดคาไปเป็นเรื่องของท่านก็บอกถ้าอาจจะคิดว่าท่านเมตตาสงสารหมาอะไรอาจจะโยนเศษเนื้ออะไรให้มันกินพอมันได้กินมันก็ตามกันมาเป็นฝูงเลยนี่แหละบริวารถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วเขาจะตามมาเป็นบริวารลองจัดงานเลี้ยงฟรีดูเลยลองจัดดูทุกวันอาทิตย์ดูว่าทุกวันอาทิตย์มากินฟรีได้นะ ํานองได้บริวารมากันเยอะแยะเลยไม่ต้องร อ, <S <S อพบหน้าชาติเลยชาตินี้ก็จะมีคนมาเป็นบริวารเต็มไปหมดเลยครับจากคุณกิติวีครับกราบนักวิชการครับทําสมาธิดูลมหายใจคู่กับพุโทโธเช่นเข้าพุทออกโธได้ไหมครับหรือว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับได้ทั้งทั้งสามอย่างพุโทโธอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวแล้วดูลมกับพุโทโธ ควบคู่ไปก็ได้แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนแล้วก็เลีอยงเ ร, เราแบบนั้นเท่ากั้นคำถามจากคุณดิออริจิโน่ครับกาวน้ตาการค่ะขณะหลับโดยไม่ฝันจิตเราไปเกาะที่ไหนคะไม่เกาะแล้วจิตเราก็หยุดคิดปรุงแต่งชั่วคราวนั่นเองจากคุณหนึ่งสามสี่ครับนั่งสมาธิรู้สึกว่าไม่นานแต่พอเลิกแล้วดูเวลาปรากฏว่าเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่านานกว่าที่เรารู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมครับ ใช่ปกติเพเวลาจิตสงบนี้มันเหมือนอยู่ในอาวากาศไม่มีอะไรเคลื่อนไหวก็เลยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปช้าและเร็ ว, รวนานหรือไม่นานคุณพลอยมณีครับอยากให้หลวงพ่อช่วยบอกวิธีละความโลภความอยากเจ้าค่ะก็ให้คิดถึงความตายบ้างกันหนี่ะ เ, เวลาโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วถามว่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตายไปแล้วสิ่งที่คุณหามาในคนยาวไปด้วยเอาไปได้หรือเปล่า มันต้องทิ้งให้คนอื่นหมดหาไปเพื่อให้คนอื่นหาไปทําไมหาแบบเท่าที่เราต้องการใช้ก็พอตายไปจะได้ไม่ต้องทิ้งสมบัติให้คนอื่นบูชาหาเงินมาถ้าเป็นแทบตายแล้วไม่ได้ใช้กลับไปให้คนอื่นก็ใช้นี้เรียกว่าฉลาดหในโง่ต้องให้หนึกถึงความตายเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้มีความสันโดษคือยินดีกับกับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีก็พอ ไม่ต้องไม่โล่มากไม่มักน้อยสัมดุมีเท่าที่จําเป็นจะต้องมีไม่อยากจะมีมากกว่าไปกว่านั้นเพราะเวลาตายไปของที่เหลืออยู่นี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปหรือไม่ได้อาจจะกลายเป็นของศัตรูเราก็ได้อาจจะหามาให้กับศับตรูเราโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ฉั้นหาให้เท่าที่เราพอพอเพียงอย่างในหลวมรักชกาลที่๙ท่านบอกเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินไปก็พอแล้ว ไม่ต้องรำต้องรวยนึกคิดถึงมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเวลาก็ตายไปเงินที่เขามีอยู่เนี่ยเอาเก้าไปได้นะเขาต้องทิ้งให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะคนลืมตายเขาไม่คิดถึงความตายคำถามจากคุณชุมพลครับกาบนำพิธการพระอาจารย์เรื่องจากมียาติดยาเสพติด ได้พยายามรักษาแบบทางโลกแต่ไม่เกิดผลได้รับคาแนะนําให้ทําบุญแผ่เมตตาให้โดยระบุชื่อย่าจะเกิดผลไหมครับและควรจะทําบุญแผ่เมตตาอย่างไรถึงจะเกิดอย่างเต็มที่ครับถ้าก็ยังก็ ย, ยังไม่ตายก็ไปที่วัดทํากระบอบนี่รู้สึกว่าวัดธรรมกระบอบนี่เป็นวัดที่สามารถเยียวยาผู้ติดยาเสพติดได้มีคนจากต่างชาติมารักษากันเยอะแยะถึงมีชื่อเสียงโด่งดังลองไปดูเสียอยู่ที่ ทิสละ บ, บุรีเป็นวะัดที่มีชื่อเสียงในการบําบัดพวกที่ติดยาเสพติดกันคําถามจากคุณวัฒนาครับการปฏิบัติธรรมสูงสุดเพื่อละอนัตตาตัวตนใช่ไหมคะที่พวกเราเป็นทุกข์กันก็เพราะมีตัวตนขึ้นมาในจิตใจใช่ไหมคะขอบคุณค่ะใช่ลัอัตตาตัวตนรักความอยากต่างๆที่เกิดจากการมีอัตตาตัวตนถ้าไม่มีอัตตาตัวตนมันก็จะไม่มีความอยาก งั้นก็ต้องต้องต้องพิจารณาว่าจิตเรานี่เป็นไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเป็นตัวรู้ตัวรู้ไม่ต้องการไม่ต้องการมีอะไรไม่ต้องการได้อะไรอันนี้มันก็จะละ ค, ความอยากได้ละความอยากได้ก็จะละความทุกข์ต่างๆได้จากคุณปล่อยวางครับกราบถามหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติวันจันทร์ถึงศุกร์หนูถือศีลห้าประจําและทํางานประจําแต่วัน พระตรงกับวันทํางานถืออุโบสถศีลไม่สะดวกหนูเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ซึ่งไม่ตรงกับวันอุโบสถศีลจะได้ไหมคะได้ไมนได้อยู่ที่วันคือคือสมัยก่อนนวันวันพระเป็นวันหยุดทํางานแต่พอมายุคปัจจุบันนี้เราเราเปลี่ยนเพื่อให้ทันโลกว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็หยุดเสาร์อาทิตย์กันเราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ในอดีตนี้วันหยุดของเราจะเป็นวันโกนหรือวันพระ เพื่อที่ญาติโยมจะได้คนที่อยากจะถือศีลปฏิบัติธรรมก็จะได้ไปไปวัดได้ดั้นก็สมัยนี้เราก็เลยต้องปรับวันพระให้มันให้มันตรงกับวันหยุดทํางานของเราก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เองถ้าโยมทํานี้ก็ถือว่าโยมฉลาดรู้จักปรับให้ให้เกิดเกิดประโยชน์กับโยมถ้าไปถือวันอืนถือวันอื่นมันก็จะรักษาได้ยากเพราะเช่นเวลาพักเที่ยงก็จะพักเที่ยงวันพอดี พบางทีจะไปกินอาหารก็กินไม่ได้นะอพาเราถือสิอ่งแปลกงั้นํามาถือสิ่งแปลกในวันที่เราไม่ต้องไปทํางานในวันหยุดของเราคําถามจากคุณบุญชูครับสอบถามพระอาจารย์ครับเวลาที่มีคนทําให้เราโมโหหรือโกรธไม่พอใจเราก็พยายามท่องพุโทโธพุโทโธไปและสอนใจตัวเองว่าเดี๋ยวก็ตายกันหมดมันไม่มีอยู่จริงเราแค่เล่นไปตามบทละครเท่านั้นทําให้ความโกรธเบาลงสอนใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องด้วยอย่างหนึ่งก็คือเราต้องโทษตัวเราเองว่าความโกรธของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาเพื่อยากให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็เลยโกรธเรามาแก้ความอยากของเราต่อไปนี้เราจะไม่อยากได้อะไรจากใครไม่ต้องการให้ใครก็ทําอะไรให้เราไม่ต้องการให้เขาทําอะไรไต่งางๆ ใ, ให้ถูกใจเราถ้าเราสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราจะไม่โกรธใครเลย คำถามจากคุณฟิโอนาครับความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราเข้าไปยึดในอารมณ์ต่างๆนั้นใช่ไหมคะจำวิธีการแก้ไขอย่างไรถึงจะละกับอารมณ์นั้นๆขอบคุณมากคะ่ะก็ต้องปฏิบัติสติไงใช้พุทโธพุโทโธเพราะการบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี้จะทําให้เราคิดน้อยลงเริ่มหยุดคิดการที่เราไปยึดในอารมณ์ต่างๆเพราะเราไป <ๆ S 2> คิดว่า <ๆ S 2> อารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องการให้มัน เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเราไม่คิดอารมณ์มันเกิดมันก็ดับของามันไปเองดับก็ไม่ไปยุ่งกับมันงั้นเราพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากแล้วเราจะละอารมณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายคุณแนมิโซนครับกลาวตักสกา ร, การพระอาจารย์ขอทราบข้อธรรมคำสอนที่ทำให้เราปรับจิตปรับใจเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเข้าใจผิดได้เจ้าคะ่ะ ก็ต้องมีปัญญาต้องมีความเข้าใจถูกเราถึงจะรู้ว่าขับเข้าใจผิดเป็นยังไงรือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราปรับความเข้าใจของเราให้ตรงกับความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะไม่เข้าใจผิดต่อ จากคุณคีพคามครับการที่เราดูแลแมวที่ป่วยเป็นมะเร็งต้องป้อนยาป้อนข้าวและน้ําอยู่เป็นเวลาหลายเดือนโดยที่เขาอาจจะไม่ชอบรู้สึกทรมานบหมือนถูกบังคับแต่เราจําเป็นต้องทําเพื่อช่วยชีวิตเขาอย่างนี้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปคะเป็นบุญเราไม่รู้หรอกว่าก็ชอบไม่ชอบแต่โดยโดยสารมันสำเนาของสัตว์ทั้งปวงนี้ไม่มีใครอยากจะตายกันอยากได้รักษากันทั้งนั้นดังนันการรักษานี้ดีกว่าการไปทําให้เขาตาย การไปทำให้เขาตายเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระทําบาปเป็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นการโหดร้ายทารุณถึงแม้จะเรียกว่าเป็นเมตตาการุณก็ตาเมตตาการุณแต่มันไม่มันเป็นแต่คําพูด ไ, ไม่ไม่ไม่เมตตาหรอกถ้าไปฆ่าเขาเไม่ว่าด้วยสายเหตุอะไดก็ตามแต่การที่เราพยายามรักษาเขาเลี้ยงเขาอย่างนี้เป็นความเมตตาที่แท้จริงไม่บาปทาต่อไป ถ้าเขาไม่อยากจะให้เราทำเขาก็อยู่หายใจเองก็ได้เพราะการหายใจมันก็ได้เขาตายไปเองก็ได้ถ้าเขาไม่ต้องการให้เราทําหรือเวลาเราจะมาป้อนหรือมาทําอะไรเขาก็ปฏิเสธแต่ถ้าเขาไม่ปฏิษษเสธเ้าก็ทํำไปคําถามจ้าคุณแอแอครับกลับถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องทําบุญที่บอกว่าทําจํานวนมากได้บุญมากแล้วในกรณีที่เรามีกําลังทรัพย์ไม่เท่ากันกับคนที่มีเงินมากกว่าทําบุญมากกว่าก็จะได้บุญเยอะกว่าเราใช่ไหมคะ ไม่ใช่หรอกอันนี้พูดถึงในในในแต่ละคนสมเมื่อเราเราคนเดียวเนี่ยเราทำร้อยเนี่งก็บทำพันบาทเนี่ยมันต่างกันบุญที่เราได้แต่เราไม่ไปเทียบกับคนอื่นเพราะว่าฐานะการเงินของเรากับของเขาไม่เท่ากันถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบทานการทำบุญของเรากับขเขาถงว่าเท่ากันไหมเราต้องดูสัดส่วนข อ, ของกันที่เราเสียสละไปเช่นสมมติว่า เ, าเําไปเงินล้านหนึ่งถ้วเราทาบุญหนึ่งแสน ก็ถา้าเราทำบุน้อยละสิบใช่ไหมหนึ<ด>่งแสนนะแล้วถ้าอีกคนหนึ่งเขามีสิบล้านถ้าเขาทำหนึ่งแสนนี่เขาทําเท่าไหร่น้อยละ 1, หนึ่งครั้งเองทั้งเงินเท่ากันนี้แต่คนที่มีเงินสิบล้านนี่กลับได้บุญน้อยกว่าคนที่ทําบุญคนที่มีเงินหนึ่งล้านเพราะสัดส่วนของบุญสัดส่วนของการเสียสละมากกว่าเข้าใจไหมความรู้สึกจะมากกว่าคนที่เสีย เนี่ร้อยละเศษนี้จะรู้สึกว่าเสียมากกว่าคนที่เสียร้อยละร้อยไม่ไม่เชื่อไปถามคนเสียภาษีดูเลย uh huh. แล้วเสียภาษีร้อยละเท่าไหร่เนี่ย uh huh. จะรู้สึกว่าโอ้คนที่มีเงินมากก็ต้องเสียมากเข uh huh. าจะรู้สึกเสียเสียมากแต่การให้นี้การทำบุญนี่เป็นการยินดีให้ด้วยความยินดีมันจะมีความสุขใจมากน้อยเพราะฉะนั้นต้องดูสัดส่วนถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนอื่น <Huh. S 2> ถ้าเราเปรียบเทียบด้วยตัวเงินนี่มันจะไม่รู้ว่าทำบุนมากน้อยกัากันอย่างไรแต่ถ้าในตัวของเราเองคนเดียวเนี่ยเราจะวัดได้ด้วยปริมาณเงินของเราที่เราทำแต่ะละครั้งว่ามันมากน้อยและมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากน้อยต่างกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับผู้อื่้นต้องดูสัดส่วนของเงินที่เราเสียสละไป แต่ถ้ามองในตัวของเราเองเนี่เราวัดได้จากรายราเงินที่เราให้ว่าเราให้มากให้น้อยเราจะมีความรู้สึกสุ ข, สขมากสุขน้อยเกิดจากการให้ของเราคำถามจากคุณสานะดีครับขอถามอาจารย์ค่ะเราใช้อน า, านาปานสติเพื่อความผ่อนคลายได้ใช่ไหมครับเพรารู้สึกใจเบาเสบายใจด้วยค่ะได้การทําสมาธิก็คือเป็นการผ่อนคลายให้ใจสง บ, บให้ใจเย็นให้ใจสบาย เหมือนกับติดเครื่องปรับอากาศให้กับใจนัน่นเองคำถามจากคุณเสกสรรครับผู้ปฏิบัติสำเร็จพระอาหารหันต์ของพระสง์แยกแล้วมีกี่ประเภทและความหมายของประเภทอาหารหันต์มีเช่นไรครับพระอาจารย์อันนี้เราไม่ไ ม, ไม่ทราบรายละเอียดนนะต้องขอไปขอให้ลองไปค้อนดอูในก o เกิลดูก็ได้จะได้รายละเอียดเพราะเราไม่ค่อยได้ศึกษารายละเอียดต่างๆเหล่านี้ คือมีผู้ที่เปิดบ้าอาหารแล้วก็มีมีอิทธิฤทธินคนดัรเลกชาติได้อะไรบางคนเก่งทางด้านการแสดงทำอะไรเหล่านี้แล้วมีแยกแยกไว้เพราะรู้สึกจะม่อยู่ประมาณสี่ประเภทด้วยกันแต่เราจาไม่ได้เราเลยไม่กล้าไม่กล้าพูดบาตอนนี้หาให้เราไปค้นหาในใน พ, พัดไตพิศุกในใน o g l e หรือก็ได้ อาจารย์ครับมีคนบอกว่ากลับไปถามพระอาจารย์ครับผมดูคลิปใส่บาทพระอาจารย์เกือบทุกวันเห็นมีญาติโยงนําซองขาวแล้วมายื่นให้พระอาจารย์แนะพระอาจารย์เอาเงินใส่ซองมาใส่ถุงรวมกันอันนั้นใช่เงินไหมครับใช่คือเนื่องาตอนนั้นเราไม่สะดวกที่จะให้ลูกศิษย์้ามารับแทนได้เราก็เลยรับแทนลูกศิษย์ได้ดีแต่ว่าเรากลับไปถึงวัดเราก็ไม่ให้กับลูกศิษย์เก็บไว้อยู่นี่เราไม่ได้เก็บไว้ใช้ครับก็อาจจะผิดขั้นตอนนิดหน่อยที่ยังไปรับหรือ ถ้าอีกอย่างในึงบางทีญาติโยมก็อยากจะให้เรารับกับมือด้วยเขาไม่รู้เรื่องวินัยของพระเราก็เลยบางทีก็ทําไปเพื่อให้เขาสบายใจบางเมื่อคือเขาได้มอบให้กับเราก็าไม่รู้สึกว่าเราเขาได้เราได้รับโดยตรงแต่เรารับไปแล้วเราก็ไปมอบให้กับลูกศิษย์แทนอีกทีให้เขาเก็บไว้ดูแลรักษาต่อไปไม่ได้พกคะเราไปไหนไม่มีเงินในยาม จะซื้ออะไรไม่ได้เถ้าต้องการจะซื้อต้องการอะไรก็ต้องบอกให้ลูกศิษย์ช่วยจัดการหามาให้จากคุณกันนิกาครับการนมัสการเจ้าขา่าเวลาเราฝันตื่นมามักจะจําไม่ได้เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะเพราะว่ า, วาฝันฝันที่มันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่มันเบามากในจิตเราพอเราเตื่นขึ้นมาปับ๊บเราก็มารับรู้เหตุการณ์ที่ในขณะที่ตืน่นมันก็เลยมากรกสิ่งที่เราฝันไปทันที คุณอุดมเดชถามครับคนที่บ้านเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่มีโทสะจริตมากที่ใส่ใจคอไม่ถูกจริตกับเราเราจะจัดการกับอารมณ์เรายัางไงดีครับเพราะบางทีกิริยาของเขาทําให้เราหูดิดมากครับเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปปรับเขาได้เราก็ต้องปรับใจของเราเหมือนกับเราปรับกับดินฟ้าอากาศ น, นั่นเอง เวลาร้อนเราก็ต้องปรับใจเราให้อยู่กับความร้อนให้ได้ไปดาหนาวเราก็ต้องปรับใจให้อยู่กับความหนาวให้ได้ในเวลาเราไปเจอคนที่ไม่ถูกเจริญกับเราแล้วเราต้องอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับใจเรายอมรับเขาอย่าไปปริยาไปอยากเปลี่ยนเขาเพราความอยากนี้จะทำให้เราหมดเน็ตคำถามจ้าคุณวันร้านไลค์ครับกับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเรานิมนต์พระมาที่บ้านแต่ช่วงนี้มีโควิดที่บ้านไม่อยากให้พระเข้ามาในบ้านจะบาปไหมครับ แม่บาปหรอกอันนี้เป็นเรื่องของสามัญสํำนึกในทางการแพทย์นมันเป็นการเอาภัยเข้ามาในบ้าน น, นไม่จําเป็นจะต้องนิมนต์พระพระก็ไม่อยากจะรับนิมนต์ด้วยเพราะนั้นตอนนี้ต้องแยกกันอยู่ถ้านิมนต์กันนิมนต์ทางออนไลน์แบบนี้ก็แล้วกันเพนาะนิมนต์พระถ้าก้าวลุ้มบนอันศูนย์ บ, บนเปิดสูมขึ้นมาก็ได้ในไลฟ์พระท่านส่งไปย่างชกไป เสร็จแล้วก็วันเงินโอนเงินโอนแ้วโอนปัจจัยให้ผ้าไปก็จบครับคุณปทุมมาตครับกล่าวธรรมสการอยากให้พระอาจารย์บอกวิธีการดับทุกข์ที่เกิดจากความพัดพลาดจากผู้อันเป็นที่รักเป็นทุกข์มากค่ะพระอาจารย์คือเราต้องค่อยสอนใจเตือนใจไว้ตั้งน้าก่อนว่าเราจะต้องมีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ซ่อนไม่กลั้นพอแต่เวลาเหตุการณ์จริงนี่เราทําใจไม่ได้แต่ถ้าเราหมั่นซ่อนหมั่นคิดไว้เรื่อยๆว่าสัางวันเราต้องจากคนนั้นคนนี้ไปนะต้อสอนเตือนใจทุกวันไม่ให้เลวพอเรารู้ว่าเราก็จะปรับใจแล้วพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะไม่เศร้าสศกเสียใจคําถามจากคุณพงศ์พิทักครับนิพพานมีจริงไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทํำยังไงจะไปนิพพานครับ คือนิพพานก็คือใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาเนี่ยปราศจากความโลภความโกรธความหลงและวิธีที่จะทำให้ใจเราเป็นนิพพานก็คือการปฏิบัติทานเสียงภาวนาแต่คุณมีนาครับกราบขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระสงฆ์ทาผิดศีลเวลาตายไปโทษจะหนักกว่าคนธรรมดาไหมคะหรือโทษเท่ากันคะถ้าเป็นความผิดอย่างเดียวกันก็เท่ากันนะ่ จากคุณเมืองหลวงครับการรัมสกาหนหลวงพ่อและสวัสดีคุณหมอกาบเรียนถามว่าต้องทํางานกับเจ้านายที่เจ้าอารมณ์มากที่โบโหโควรปฏิบัติตัวหรือมีวิธีในการดําเนินจิตยอย่างไรคะเรืก็ต้องยอมรับว่า เ, าเป็นเจ้านายเราเราเป็นลูกน้องเขานีลูกน้องไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเจ้านายเจ้านายมีสิทธิที่จะว่าลูกน้องนีลูกน้องก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็นแจวเป็นยอมรับ อะไรที่อารมณ์ต่างๆที่เจ้านายจะส่งเข้ามาถ้าเราไปถือว่าเราเท่ากับเจ้านายเราก็จะมีปัญหาขเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นนุ่งน้องเขาเราก็ก็ยอมรับสภาพของเราไปเท่านั้นเองเราก็จะไม่มีความรู้สึกโกรธเขาหรือรู้สึกอะไรกับเขาเพราะเราคิดว่าหนึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําตัวแบบนี้ สัถามเจ้าคุณเจเล็กครับการนัสการเจ้าค่ะการเป็นถามค่ะถ้าถูกญาติโกงเงินแล้วเกิดโทสะมากควรทําจิตยังไงคะถึงจะทําใจได้เจ้ า, าค่ะก็คิดว่าเป็นเหมือนเงินที่ถูกขโมยไปแล้วแต่เหมือนไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วจะไปโกรธยังไงมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆยอมรับกับความเป็นจริงแล้วแต่ว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไปแล้วหรือว่าเป็นเงินที่ใช้หนี้กลับ เจ้นี้เข้ามาบังคับทวงหนี่ไปเหมือนธนาคารช่วงนี้ก็จะไปยึดทรัพย์สินของคนที่ไม่ไม่ผ่อนให้กับธนาคารก็ให้คิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของที่เรายืมเข้ามาถึงเวลาเขาก็มาทวงคืนไปคำถามจากคุณแสงดาวครับการระลึกชาติได้มีจริงใช่ไหมคะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องค่ะมีจริงแต่ผู้ปฏิบัตินี้จะไม่ได้ สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้ทุกทุก ท, ทุกคนอันนี้อยู่ขึ้นอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละท่านที่ได้สะสมมาบางท่านก็รับรูชาได้บางท่านก็ดไม่รับรูาชาไม่ได้แต่มันไม่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการดูดพ้นต่อการบรรลุมรรคผลในพานใจอย่างไดจากคุณเปตองครับพระสงฆ์ฉันอาหารหนึ่งมือ้อหรือสองมือ้อครับผมงงมาก คืโดยปกติพระสง์ทัญนฉันสองมือ้อเช้าแล้วก็ก่อนเที่ยงแต่ถ้าเป็นภาคปฏิบัตินี่ท่านมักจะฉันเมื่อเดียวท่านถือทุดงขวัตทุดงขวัตนี้มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกให้รับประทานอาหารเพียงหนึ่งครั้งก็ท่านจะฉันหนึ่งมือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือเชา้าหลังจากกลับมาจากบิณฑบาต ท, ท่านก็จะฉันกันแล้วหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะไม่ฉันตอนเที่ยงอีกต่อไป เพราะท่านไม่ต้องการจะเสียเวลากับการมานั่งขบฉันแล้วการฉันมากเกินไปก็ทําให้เกิดความว่วงเหงาเหงานอนเกิดความเกลียดข้างในการปฏิบัติธรรมท่านเลยถือการฉันมือเดียวนี่ก็อยู่ที่ว่าวัดที่เราไปนี้เขาเข้าฉันกี่มือกันส่วนใหญ่วัดในเมืองนี่จะชันสองมือกันถ้าเป็นวัดป่าวัดเขาเนี้จะฉันมือเดียวคําถามจากคุณทาทาครับ ถ้าคนที่ทําบุญและบริจาครัพย์มากๆแต่เพื่อหวังได้หน้าได้ชื่อเสียงอย่างนี้พวกเขาจะได้บุญมากเหมือนที่เขาบริจาคหรือเปล่าคะกลับอาไว้สการ่ะไม่หรอกเขาก็ได้เท่ากับที่เขาบริจาคและอาจจะมีทําให้เขาอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาได้ถ้าเกิดเขาบริจาคไปแล้วเขาลืมประกาศชื่ออย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้ แต่ถ้าบอยจากแบบไม่อยากจะได้หน้าไม่อยากจะให้ใครรู้เราจะไม่รู้สึกเสียใจถ้าเกิดไม่มีใครรู้ว่าเราได้บอยจากได้ทำบุญไปอันนี้มันคนละเรื่องนะการทำบุญก็อย่างหนึ่งการอยากให้ผู้อื่นรู้นี้อีกอย่างคนละเรื่องกันต้องแยกว่าเป็นสองเรื่องนะการทำบุญนีได้ทุกคนแต่การอยากได้หน้าอานี้อาจจะมีปัญหาได้อยากได้น้าแล centre, upa, tweaks, ้วเขาไม่ประกาศหรือคนไม่รู้ว่าเราได้ทาบุญก็อาจจะรู้สึกเสียใจ แต่ถ้าคนที่ทําบุญแล้วไม่อยากให้ใครรู้ทําบุญแบบกิดทองหลังพระนี่จะไม่รู้สึกเสียใจถ้าไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนได้ทําบุญเหมือนก็ต้องยากเป็นสองประเด็นคุณชวนพิษครั บ, บอกก็ถือศีลแปดจำเป็นต้องปิดโทรศัพท์หรือเปล่าคะคือศีลแปดนี้ไม่ต้องการให้เราไปไปรบับรู้เรื่องการบันเทิงต่างๆเามหัศบันเทิงา ท, ทางตาหูจมูกนิ้วกาย ถ้าเราใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระอะไรนี้ถ้ า, ายัางทํางานอยู่ก็เปิดได้แต่ถ้าเราเปิดโทรศัพท์แล้วเราไปดูไปดูเกมไปดูหนังไปฟังเพลงนี้ไม่ได้เพราะโทรศัพท์สมัยนี้มันไม่ได้ใช้แต่การสื่อสารเพียอย่างเดียวคุณชงชนกครับกาพพอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามจะมีวิธีทําอย่างไรชวนลูกมาสวมดมนต์ได้เจ้าคะ่ะ ก็เราก็เวลาเราทําอะไรเราก็ช่วนเขาเราก็ลองช่วนเขาดูสิามาช่วยมาสนัมเป็นเพื่อนแม่หน่อยได้ไหมแม่สนมคนเดียวรู้สึกเหนือะไรต้องเอาอุบายให้เขาเห็นว่าเขาทําประโยชน์ให้กับเราถ้าเราไปพูดแบบจะเชิญบังคับว่าต้องมาทํานะอย่างงี้อย่างนี้เขาอาจจะไม่อยากจะมาทําแต่ถ้าบอกว่ามาช่วยแม่หน่อยสิอย่างนี้ก็อาจจะอยากมาทําเพราะเขาอยากจะทําความดีอย่างเมื่อเช้านี้มีเด็กอยนนู่คนนึงเราถามว่านุ้ยโเป็นหนูอยากจะทำอะไร เพราะวหนูอยากจะช่วยคนอื่นอยาจะช่วยคนแก่อยากจะช่วยคนอคนอันนี้คนเราบางทีมันต้องมีอะไรล่อเขาเช่นให้เขาได้ทําความดีเขารู้สึกว่าพอเขาได้ทําความดีแล้วเขามีความสุขก็บางทีก็ต้องบอกอุบายบอกว่าแม่นสุดคนที่วรู้สึกเหงาหนูมาช่วยสุดกับแม่ได้ไหมอะไรต่างๆ้าเขายาจะทําความดีอยากจะช่วยแม่เขาก็จะมาเอง แต่ถ้าไปบังคับก็หนูต้องมาสวดมนต์กับแม่นะส่วนคนน่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องเนด็กต้องต้องใช้อุบายที่ลอก่อเขาอันนี้ไม่เป็นการเป็นหลอกล่อเป็นเป็นอุบายไม่ถือว่าเป็นการหลอกหรือเป็นการโกหกแต่งใดเป็นอุบายวิธีที่จะทําทให้คนทําความอย่างนี้ คำถามจ้าคุณจงดีครับเคยมีคนบอกว่าทําบุญกับวัดกับพระจะได้บุญมากกว่าทํากับคนที่ลําบากหรือสถานที่อื่นเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนจริงหรือไม่ครับคือการทําบุญนี้มันได้สองส่วนส่วนแรกที่เราได้คือใจของเรานี้มีความสุขใจนี้เท่ากันทําบุญกับพระทําบุญกับคนยากคนจนนี่เวลาเราทำํำนั่นเราจะมีความรู้สึกสุขใจเหมือนกันแต่ประโยชน์จากคนที่เราไปทำด้วยนี้อาจจะเราได้รับจากประโยชน์จากคนนี้ต่างกัน เราไปทําบุญกับพระถ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้ทํางินประเสริฐถ้าเราไปทํากับขอทานเขาไม่มีความรู้อะไรที่จะมอบอะไรกับเรานอกจากเขาจะขอบคุณเรายกมุ่ไหว้เราเท่านั้นเองอันนี้ต่างกันประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยนี้ต่างกันแต่ประโยชน์ที่เราได้จากการเสียสละแบ่งปันของเรานี้เท่ากันไม่ว่าเราจะทําบุญกับใคร นันต้องแยกแยะว่ามันมีสองประเด็นบางทีคนพูดแล้วไม่แยกประเด็นอย่างนี้ก็เลยฟังแล้วงงแปลว่าคงจะเข้าใจนะคุณหมอครับครับใช่ครับอาจารย์ครับคำถามจากคุณแต้วครับการนั่งสมาธิควรอยู่ที่เงียบไม่มีเสียงรบกวนใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้ที่ไหนยิเงียบยิด่ดีเพราะวาความ ส, มบสงบเงียบขอทางกายจะทําให้ความสงบเงียบทางจิตใจเป็นไปได้อย่างง่ายดายเขาเรียก<ๆ>ว่ากายวิเวกจิตวิเวก จากคุณใจดีใจสบายครับาการนมัสการครับทำขั้นโสดาบันต้องได้สมาธิหรือเปล่าครับต้องได้ทุกทัานต้องมีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางการยึดถือร่างกายเพราะเป็นตัวเราของเราไม่ได้ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราล้วก็ยังไม่มีกำลังที่จะปล่อยทุกคนต้องมีอุเบกขาอุเบกขาก็ได้จากสมาธิ หรือได้จากสมาธิที่ได้ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจากชาติก่อนก็ได้บางคนไม่เคยนั่งสมาธิแต่เขามีอยู่เบิกขางั้นเราอย่าไปประมาทคนบางคนที่เขาไม่นั่งสมาธิแต่สังเกตดูใจเขารู้สึกเฉยเฉยนะเขาไม่เคยวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆนั่นะแสดงว่าเขามีอยู่เบิกาแต่ถ้าคนยังวุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็แสดงว่ายังขาดรูเบิกขาก็ต้องไปฝึกนั่งสมาธิก่อนเพื่อให้ใจไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ กับโอกาสอีกสองข้อนะครับอาจารย์ครับดูน่าสนใจข้อสุดท้ายคุณนพวรรณถามว่าเวลาเราฝันถึงคนที่ตายไปแล้วเช่นสามีแล้วมาหาเราตื่นมาเราจําได้แม่นไม่ลืมแสดงว่าเขามาหาเราจริงไหมครไม่แน่หรอกถ้าเขามาหาเราจริงเราต้องสามารถคุยกับเขาได้คุยครัแล้วถ้าอยากจะพิสูจน์เขาต้องบอกอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เช่นเขาลืมกุญแจไว้เก็บไว้ในตู้ตรงไหนช่วยไปหาให้หน่อยได้ไหมอะไรทำนองนี้หรือเขาซุบเงินไว้ตรงไหน แล้วหลืมบอกเราแล้วเราพอเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปคนตามที่เขาบอกแล้วเจออย่างงั้นนะเป็นว่าเป็นการมหาโลจริงแต่ถ้าไม่มีการพิสูจน์เรายังไม่รู้แนาชัดว่าเป็นการมหาโลจริงหรือไม่อาจจะเป็นความคิดปบูงแต่งของเราไปก็ได้ครับวันนี้ข้อสุดท้ายนะครับจากคุณป้อมครับรบกวนท้าอาจารย์ช่วยแนะนาพระสูตรหลักๆที่ควรศึกษาเพื่อ น, นําไปสู่การดับทุกข์ด้วยค่ะโอเค อันแรกก็คือธรรมาจาักกับอรรถนัสสุตเป็นเป็นเป็นประศุดอันแรกที่พระเจ้าทรงแสดงประกาศศาสนา ส, สอนเรื่องมรรคแปเรื่องอริยาาสัจสแล้วประศุดท่านที่สองท่านสอนอนัตตลักษณสสุตตสอนว่าขันห้าเป็นเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแล้อีกอันหนึ่งก็เรียกอาทิตยสุตตไม่ชื่อเต็มจะไม่ได้จะเริ่มด้วยอาทิตยะท่านสอนเรื่อง รูปเสียงกิ่นรดว่าเป็นไฟร้อนเป็นไฟเป็นเหมือนเพลิงทำให้ใจเราทุกข์ให้ปล่อยวางอย่าไปอย่าไปสัมผัสอย่งรูปเสียงกิน่นรดอย่าไปยินดีอย่าไปชอบเพราะมันจะเผาใจของเราต่อไปแล้วอีกอีกอันหนึ่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติก็คือสติปัฏฐานสี่อันนี้จะสอนวิธีเจริญสตินั่งสมาธินั่งเจริญปัญญา แล้วก็มีประสูตรที่สอนแบบรวมที่เราทุกคนสามารถนำมาใช้ปฏิบัติกันได้ทั้งพระทั้งคาลวะก็คือมงคลลสุดมงคลสามสิบแดนี่อันนี้จะเป็นสอนเรียงลำดับตั้งแต่ต้นไปถึงพระ น, นิพพานเลยสำหรับผู้ต้องการจะไปนิพพานนี้ทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นให้ครบคนฉลาดอย่าครบคนง่ อ, งอเสวนาจะพาลานังมันเดือดทา น, น, นจะเสวนา นี่คือพอสัสดุต่างๆที่เราควรจะศึกษาถ้าเรารู้จักพสัสดุตัวนี้แล้วเราจะไม่หลงทางเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ไหนเราจะมีมากวัดครูบาอาจารย์มาท่านสอนถูกทางหรือไม่ดีควรจะศึกษากับนทุกคนชาวพุนธดังไม่มากเลย 4, สี่ห้าพัสดุนี้เท่านั้นเองเราจะทําให้เราฉลาดรู้ทันคนที่เขาไม่รู้เรื่องมาสอนเราคขอบพระคุณอาจารย์ครับผมขอการ ออวอนนี้มีคนร่วมฟังธรรมกันนะครับอาจารย์ใน Facebook 875คนใน YouTube 654นะครับเขา19ครับวันนี้มีคนที่ฟังธรรมพร้อมกัน 1,548 คนครับอาจารย์ครับสาธุครับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุกลา ข, <อ>ขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับกลาวลาไปเพียงแั่นี้แล้วถ้าไม่มีอะไรขัดขวางไม่มีอุปสรรคอันใดอาทิตย์หน้าของขอ ง, ของจะได้พบกันอีกครั้งเนี่ยเวลาเดินครับก่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ อ, อบระารครับ